จเจรินพรท่านสาธุชนพุทธบริษั์ผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นีนวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะรู้อยากจะถาม ในเรื่องราวเหล่านี้ก็ขอเชิญเข้ามาในห้องสุ่มได้ถ้าไม่ได้ถามก็ดูการถ่ายทอดสดทาง YouTube หรือ a c e b o o k ก็ได้วันนี้เราก็จะเริ่มที่คุณหมอพิเชนจากกงทามอใหญคุณหมอกับพิธีการพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาพระอาจารย์อธิบายจิตประพัดสอนและจิตบริสุทธิ์ครับพระอาจารย์ จิตประพันธสอนก็คือจิตที่สว่างสวยประพันธ์สอนทางปฏิบัติเรเรียกว่าเป็นจิตอวิชชาเป็นจิตที่ยังถูกอวิชชาครอบนำอยู่ส่วนจิตไวส่วนนี้เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสฐาหาโมหะอวิชชาเป็นจิตที่ที่ สงบเยี่ยมท้าวรแต่จิตประพัสสอนนี้ยังเป็นจิตที่มีการเจริญในการเสียวอยู่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ก็จะไปคิดว่าเป็นจิตเบื่อสนได้สำหรับผู้ปฏิบัติไปถึงขังน้นนี้จะต้องไปเจอจิตประพัสสอนก่อนแล้วต้องรู้ทันว่ามันเป็นพริมชาเิว่าเราใช้ใจละ เป็นผู้พิจารณาทำหนอดให้เห็นว่ามันเป็นอันนี้จังไม่เทียมเป็นอนัตตาเป็นปรากฏการณ์างธรรมชาติที่ถ้าไปอยากให้มันเที่ยมก็จะถุกผู้ที่ปฏิบัติถึงจุดนี้ก็พบกับความสว่างสวัยความมาสจันย์ของจิตดวงนี้ก็คิดว่าเป็นนิพพาน แต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงจากสว่างสวัยมาไม่สว่างสวยัยมันก็เลยต้องใช้สติปัญญาปรับมันให้สว่างสวยัยอันนี้ก็เลยกลายเป็นการไปใช้สติปัญญาคอยไปปกป้องรักษาอวิชชาโดยมนูตัว เขคิดว่าอวิชชาจิตอ ว, วิชชาตัวนี้ตัวประพัดสอนเนี่ยนนิพพานเป็นจตบริสุทธิ์แ่ถ้าเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ลองทาอะไรจิตบริสุทธิ์จะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวจิตสงบในฌานนี่เป็นจิตประพัดสอนไหครับพระอาจารย์นั่นก็ ไม่เชิงาะมันไม่สว่างสไวเหมือนกับจิตอันนี้เป็นจิตของพระอนาคามีจิตของทางชานนี้มันเป็นเพียงแต่ความสงบมันยังไม่สว่างสไวเหมือนกับจิตที่ได้รับขาดขัดเก่าด้วยปัญญาจนการการอารมณ์สุนตานการรัตนะการราคา ได้ถูกขับใช้คำจัดเลยหมดนั่นก็จะเป็นจิตของผู้ที่ได้ขึ้นถึงขั้นพระพานาคามีนะหลังจิตก็จะเริ่มสว่างสวายขึ้นมาแล้ ว, ลวก็เราคิดว่าเป็นจิตท่าลานคิดว่าเป็นจิตบริสุทธิ์ถามันเป็นจิตที่มาสะท้กกานใจ ความสว่างละไว้ก็พัดสอนนี่แต่แท้จริงแล้วมันเป็นอภิชาติปฏิบัติถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังมาตรงนี้ก็จะหลงกันแต่ถ้าได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์คอยเทศเดิ น, นคอยสอนบอกเยอะเลยก็จะรู้ทัน ก็จะไม่ไปปกป้องรักษามันจะพิจารณาตางสภาความเป็นจริงของมันเพราะมันเป็นตายแล้วเอามันจะมันจะเสื่อมก็ปล่อมันเสื่อมไปไม่ไปดูแลรักษาไม่ไปรักษามันมันเสื่อมมันก็าหายไปาหายไปที่นี้ก็เลยเหลือแต่ จิตที่บรยสุทธ์ขึ้นมาจิบรยสุทธนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะครับเข้าใจถ้าปฏิบัติไปถึงขั้นจิตประันสายก็ระวังอันนี้คือตัววิชาเดีย๋ยวราวงตาบ้าท่านก็ ว, ว่าท่านปฏิบัติถึงขั้นให้เห็นจิตสว่างสว้เป็นมสจัจรย์ใจแต่ต่อมาท่านบอกมีธรรมะปรากฏขึ้นมาเหมือนเตือนใจว่าที่ไหนยังมีที่ไหนยังมีจุดมีต่อมอย่ที่นั่นคือพ่อปุชชานท่านก็ไม่เข้าใจเอ้า ม, มาว่าจุดต่อมนี่หมายถึงอะไรท่านบอกว่าถ้าเอาไปเล่าให้หลวงป่น ผู้ที่ผ่านมาแล้วน้องปุมบ้าก็จะชี้บอกไปว่าไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้สว่างลอยนี่น้าน้องปุมบนไม่อยู่แล้วท่านเพิ่งเสียไปได้ไม่กี่เดือนไป่ถึงปีน้องตาต้องอะไรต้องแบบพิษณักทำแบบนี้ไปวิเคราะห์อยู่สามเดือนเดินถึงเข้าใจขเขาเอาไอ้ตัวนี้ เกิดถ้าไม่คิดว่าวิชามันจะน่ารักนะคิดว่าวิชานี้มันจะเป็นเหมือนเสือเป็นเหมือนสิ่งที่น่ากลัวอต่ถ้ามองมันเป็นเหมือนนางบางเงาเนื่องจากเขาเรียนางบางเงาเนี่ยพวกหญิงหญิงที่ไปยืนอยู่ข้างๆเสาไฟฟ้าถ่ายตัวเนี่ยนางบางเงา เห็นไหมตอนคืนเรางขับ่าไปตาพี่นอนเดินทำแดกที่เขาไปหานั่งบางเงาไปนะพอเห็นมันเข้าไปเลยหลงมันสวยงามมันน่ารักแทนที่จะไปทำลายมันกลับไปรักษามันเพราะมันเป็นจิตที่มาสัจธรรที่สุดถ้าที่ใครปฏิบัติมาที่ใคร อันนี้ก็คือควิชาพอรู้ว่าวิชาเป็นอะไรก็ใช้ตจรักพิจารณาหยาบมันอย่าไปอยากให้มันถาวรัก อ, อยากนี้เป็นทุกข์ป่อให้มันมันจะจะอรก็จะอะไรมันจะเสื่อมก็เสื่อมเอาปล่อยมันไปก็เลยเสืยอมหายไปในที่สุดก็เหลือแต่ความว่า ของพระนิพพานพลังสุดยั่งว่างตลอดเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค, ความแตกต่างาาระหว่างวิชาจิตประพันสอนกับอวา่างของพระนิพพาจิจจิจิตบริสุทธิ์อยู่ในจิตเนี่ยเรียบเท่เหมือนกับตะเกียงที่มีโปะกับตะเกียงที่ไม่มีโปะ แต่กเกงที่มีโป้เนี่ยเธแม้จะไปขัดให้มันใสสะอาดมันก็ยังมีเราให้เราเห็นอยู่เราของแก้วยังมีภาพของของกระจกของแก้วที่มันครอบตะเกียงอยู่แต่พอโป้ตะเกียงแตกนี่มันไม่มีอะไรนะมันสะอาดมันใสกว่าโป้ที่ตอนที่มีตโพ้ตะเกียงที่เราได้ขัดมันอยู่เรื่อยๆ กิจเรที่เราภาวนาปฏิบัตินี่เราขัดมันอยู่เรื่อยให้มันใสให้มันสว่างขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นโป้เแต่เกมมันไม่พอพอไม่ปฏิบัติไม่ไม่เจริญไม่รักษามันก็เสือ่อมมันก็เริ่มเฉามันก็มีมก็มีมีควันของแสของของไฟในในโป้มันไปทำให้มี มีควันไปเกาะทำให้มันไม่สวา่างไม่ไม่สวายไม่ไม่ไม่ไม่ใสก็ต้องคอยขัดอยู่ด้วนะครับในถ้าเอยอา่านเรื่องของเซนก็มีมีอุ้ยหนึ่งชื่ออุ้ยหนึ่งนะชื่อสสารอุปทิศของขอ ง, ของเซนในของมหายาน ท่านก็เป็นผู้ที่เข้าใจถึงจิตบริสุทธิ์กับจิตอาวิชาตอนนั้นท่านบอกท่านท่านไม่ได้เป็นนักบวชะท่านเป็นชายคนเก็บฟืนขายพฟยแล้วเอาฟืนมาขายแล้มาส่งให้ที่สำนักของสังฆราชองค์ที่ห้าทสังฆราชองค์ที่ห้า 5, ไี่ท่านแก่มากท่านอยากล้เสียชีวิตท่านก็เลย บอกให้ลูกศิษย์ที่กายชิดหัวไหนลองแสดงปัญญาให้เรารู้หน่อยนะว่าอธิบายว่าจิตเป็นอะไรกันก็ลูกศิษย์ที่เป็นศิเดเขาบอกว่าจิตนี้เป็นเหมือนตะเกียงถ้าเราไม่ขัดมันเดียวมันก็มันก็ไม่ใส่มันก็มัวเหตุใดถ้าไม่มีใช้สติไม่ใช้ปัญญามันก็จะถูกที่เหลตันทามันทำให้เศร้าหมองได้ เวลาต้องเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อคอยกำจัดกิเลสอยูะเรื่อยๆจิตก็เลยอสว่างสวยขึ้นมาที่คนที่ชื่อเวรหลังหรชื่อเวรหลังมาอานเข้าอ่านอ่านคำตอบของศิษย์เาจะเขียนปิประกาศไว้อ่านกำแพงเวรหลังว่าไม่ใช่เวรหลังเห็นว่าจิตเจณฑ น, นี้ไม่ใช่สกเกียง จิตจิตเป็นความว่างมันเป็นความว่างก็ไม่มีอะไรที่จะไปทําให้มันเฉาไม่ทําให้มันรัวได้มันก็ว่างมันก็ให้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องทําอะไร <c oughs> อ่าบอกสังฆลักษนะเขาบอกว oh, อันนี้ใช่นะอันนี่มันสําเร็จนะเสร็จจิตในพรอาจารย์นะไม่ต้องทําอะไรนะเมื่อถึงจิตที่มันบริสุทธิ์จิตที่ไม่ต้องมีการ คอยคอยเช็ดคอยขัดคอยถูเลยลไม่ต้องมีการท่าก็เลยมอกของที่เป็นสาระให้แล้วบอกว่าไปให้หนีไปเพราะคนเขาจะไม่เชื่อว่าคนที่ไม่ได้บวชในเฉลมาสเดจปัญญาเขารู้ขนาดนี้ไ ด, ด้๋ยวจะถูกเขาลุมทำร้ายได้เราไปค้นหาดูเป็นหนังสือที่ท่านพุทธทาสผู้แฟลหนังสือ เื่ยลเราเค็นเขาว่าเื่ยหลังไปองเอจเจอสารราชองที่หกของอาหายานี่ยผมแสงอ้าจะไม่ผิดนะเราคนหนึ่งแผิดก็ขอออแผงด้วยก็ไม่ได้อนมันนี่อ่นตั้งแต่ก่อนที่ช่วงที่ยังไม่ได้ออกปฏิบัตินะตอนน้ยังอยู่ที่วัดบประเด็นเจอหนังเือนี้ในห้องสมุดก็เลยเอามา่ กับผูายหรเปล่าผายไหมสาจิตกระพัฒน์สอนกับจิตบอยส์เนี่ยนั่นตะเกียงตะเกียงที่มีโป๊กกับตะเกียงที่ไม่มีโป๊กถ้าไม่มีโป๊กก็ไม่ต้องคอยขัดคอยถูเพไม่มีความที่จะไปแตะได้ตะเกียงมันก็มันก็ใสเหมือนกับใสเหมกตามมีโป๊ ขอบพระคุณครับอาจารย์พอใจครับเข้าใจมากขึ้นเลยครับไม่ไปไปเจอไอ้ไอ้ไอ้ไอ้อันนี้ได้จากที่ไหนจิตวิาศาสตรไม่ร้อ่านเี่ไที่ไหนจากที่พระาาอาจ า, จารย์ได้ได้เอ่อในหนังสือเอ่อตอปัญหาคาใจครับพระอาจารย์พระอาจา<ค> ร, รจาย์ในในในเรื่องใจครับพระอาจารย์เลขสิบหกครับอืม ก็าม่จะแปลว่าเป็นจิตเดินแท้จิตแท้จิตจิตเดิมหรือจิตพระภุทสอนแต่เป็นจิตที่มีมีเกลเอซึ่งตอนนั้นเราก็พูดว่าอาจจะไม่ใครเวลาจิตสงบเข้าไปในสมาธิเข้าไปในฌานมันก็สงบแต่มันไม่เป็นวัสด์สอนมันไม่มันไม่เด็นชันเหมือกับตาที่อยู่ในระดับของอนาคาเมียอาจารย์อ า, อาจจะยอธิบายว่าเป็นเหมือนกับ สมออยู่นในฌานจิตนิ่งสงบกิเลสไม่ทำงานมันก็เลยมีความสว่างสวัยกันับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอแจนอธบายวันนี้แต่วราพิจาราทีที่ว่ามันน่าจะเป็นระดับของปัญญามากกว่าระดับของไม่ใช่ระดับของสติแต่ก็ถ้าผิดถูกไมก็ขออภัยด้วยแล้วก็นแต่ก็คล้ายๆกัน แสดะที่มันไม่ทำงานจิตมันนิ่งสงบกิเลสไม่ทำงานมันก็เป็นเหมือนนิพพานมันนิพพานาชั่วคราวพอสติออกกำลังลงกิเลสก็ไม่กำลังก็ออกมาสแสดงหมดบาต่อ่ะแต่น่นจะเป็นของระดับของของพระนาคามีมากกว่าเนะี่ย อางดินไดมีโอกาสได้อธิบายขยายความให้ชัดขึ้นกว่าเดิม อ, อ, อ, อาศาัยคำสั่งคงสอนขอ ง, ของขอครูบาอาจารย์และหนังสือที่อ่านมา <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อตาตมาก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะอ่านอองถึงว่าเป็นความรู้ของตนเองก็เป็นอย่าความรู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาได้ปฏิบัติมา ก็เอาทั้งทั้งหมดนีมารวมกันก็แล้วน่นดจด่า ม, ม, มันมันมาดาเราคนเดียวไปด่ารูตาไปด่าด่าสังขาะเมื่อยหลังด้วยก็แลัวกันอยยังไม่แต่ยังไม่สนใจเรื่องบุคคลเลยสนใจเรื่องความความจริงของจิตดีกว่าปฏิบัติให้มันไปถึงจุนดนั้นให้ได้ก็แล้วับแล้วก็จะไม่สงสัย โอเคนะครับขอบคุณครบขอบคุณอาจารย์ครับอ่ามัยจัตเจตีกระดาษนักาสดงพราดยาครับอเป็นยังไงบ้างวันที่ารายงานที่พระอาจารย์บอกให้ไปทําตามมงคลสามสิบแปดว่าทําข้อไหนแล้วบ้างครับอก็ก็คือทําข้อไม่คบคนผ่านแล้วก็การส่งข้อยติพี่น้องที่ ท, ที่ทําบ่อยๆมากเลยครับ ส่องขอยังไงเสียสละครับพี่น้องใครน้องน้องนี่เลยใช่ครับอถ้าน้องอยากได้อะไรก็ให้ก่อนไม่แย่งกขาแล้วใช่ไหมค่ะให้ยังแย่งกันอยู่เป่าก็แย่งกันแต่ลดลงนะครับเอาไม่แย่งแล้วน้องอยากได้เอาไปพอเราไม่แย่งเขาดีต่อไปเขาก็ไม่เขาก็ไม่เขาก็ไม่แย่งครับ เขาก็อยากให้เราว่าพอเราให้ขเขาแล้วเดี๋ยวเขาบนหลังเขก็อยากจะให้เราเองลองทําดูเลยนะแล้วจะมีความสุขให้น้องให้เขาได้ที่เขาอยากได้แล้วเราจะมีความสุข <S <S ดีกว่าเราได้มาแล้วเราไม่ได้มีความสุขมากเราอาจจะมีความเสียใจให้เราไปแย่งเอามาจากน้องทําไมน้องเขาก็อยากจะได้เสียสลากแบ่งกันนะ ครับยังไงต่อวันนี้มีคาถามครับาาก็คือโลกรก้ลงครับอย่างเช่นโลกอยากเล่นเกมครับโกรธโกรธก็คือเมื่อที่ไม่ได้เล่นเกมจะแบบโกรธแม่อย่างแบบโกรธว่าทำไมถึงไม่ให้เล่นครับ เล่หลงคืออะไรครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาอธิบายคําว่าหลงครับหลงเขาคิดว่าเล่นเกมแล้วมีความสุขไงแต่คอามจริงมันไป็นความทุกข์เพราะพอไม่ได้เล่นขึ้นมามันก็ทุกข์ไงครับครับถ้าได้เล่นก็สุขแต่ถ้าเกิดไม่ได้เล่นขึ้นมาก็มันก็จะต่างในความทุกข์ถ้าไม่เล่นเกมเลยมันก็จะไม่ทุกข์เวลาไม่มีเกมให้เล่นนะนะใช่ เข้าใจอย่างความความหลเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับตัวอย่างที่เราคิดว่าเป็นสุขในเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นความหลงเนื้อมันไม่เป็นความมันไม่เป็นสุขหรอกมันเป็นทุกข์ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะแสดงความทุกข์ให้เราเห็นเองเวลาที่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําเวลาที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้อันนี้อยากได้นะครับเราไม่ค่อยมีนะคะมีไหม อยากได้ของที่วันได้มาเราจะมีความสุขใช่ไหม<ช>แต่ถ้าเกิดมันหายไปมันจะสกหมาได้นนของที่เราอยากได้มาแ้าความันหายไปเราความสุขก็ยังอยู่กับเราอ่าไม่นะไม่ครับไม่ใช่ไหมทุกข์ไปมเ่าเสียอะไรไปใครขโมยของที่เรานัาเราชอบไปเรษฐาอะมันทุกข์ใช่ไหม ใช่ครับถ้าไม่มีมันเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่มีมันไม่ได้อยากได้มันไม่ได้เอามาไม่าเราไม่มีมาเลยเราจะทุกข์ไม่ทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์ครับงั้นเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันมันให้เดี๋ยวเดียวเวลาเดียวมันเปลี่ยนไปมันหายไปมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากได้ นี่คือความแบบเขงแก้ความหลงด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของที่เราอย่างได้นไม่แน่นอนมันอาจจะอยู่กับเรามันอาจจะหายไปมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเสียซึ่งแม่ให้โทรศัพท์มาใช้ได้สองวันเสียแล้วทํำไงทุกข์ไหมหายไปทุกข์ไหมแล้วเรา เราประกันได้ไหมว่ามันจะไม่เสียมันไม่หายไม่ได้ไม่ไดค่ะอย่า้องําใจถ้าอยากได้ถ้านั้นมาแล้วก็ลองทําใจว่ามันไม่มันอาจจะเสียเมื่อไหร่ก็ได้หายไปเมื่อไหร่ก็ได้เวลามันหายไปมันจะได้ไม่ทุกข์ใจครับครับอถ้าถ้ารู้ก่อนหน้าคร่านี้ก็อยาก ไ, ได้อยากได้ยังไปดีกว่า ถ้าไมไม่เป็นของจําเป็นที่จะต้องมีเวลาโลกนิฐามด้วยว่าจําเป็นไหมถ้าไม่มีแล้วจะตายไหมถ้าไม่ถ้ามีแล้วไม่ถ้าไม่ ม, แ ม, ม, ม, แ ม, ม, มีแล้วไม่ตายก็อย่าไปเอาจะไม่ทุกข์เพราะว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราทุกข์เวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหายไปแต่ถ้ามันจําเป็นต้องมีก็เอามาแต่ก็ต้องทำตัดทําใจ าเกิดเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาเราก็ต้องอย่าไปทุกข์กับมนะันครับรโอเคนะครับรอไปหาครัไปหาคำถามมาถามหม่อนะครับรออยากจะรู้อะไรเราเราปรึกษาเาแม่ดูครับร้กิจเา่มความโลมกเป็นยังไง ความโลภคืออยากได้ในของที่ไม่จำเป็นเรียก ว, ว่าความโลภของที่จำเป็นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภเช่นถ้าต้องการลงหายใจนี่อยากได้ลมหายใจนี่เป็นความโลภหรอใช่คับถ้าไม่มีลมหายใจก็ตายใช่หมใช่คใช่ครับก็ต้องมีลมหายใจมันเป็นของจำเป็นถ้าเป็นของจำเป็นก็มไม่ถือว่าเป็นความโลภ ถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่นี่อยากจะได้เสื้อผ้าใส่มาแล้ใส่นี้ไปความโลภอ่ะไม่ครัม่ครแต่ถ้ามีเยอะแยะแล้วยังอยากได้ใหม่นี่ไป็นความโลภอ่ะโลภครับอ่าผิดใจไหมเจ็บไหเวลาอยากได้แล้วถ้าเกิดไม่ได้แล้วโกรธไหมเสียใจไหมเวลาขอเมื่อซื้อเสื้อใหม่แม่บอกว่ามีเยอะแยะแล้วซื้อไปทําไมก็ เสียใจเขาก็ไม่่เสียใจมากกอดด้วยใะงทีก็อดแม่ด้วยใช่ไหมเคราะงั้นจยตเอาน้าความกอดด้วยการอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้ของที่ไม่จาเป็นครับครับโอเคนะโอเคครับโอไปที่คุณสารกากลับไปหาขอบคุณพระอาจารย์ครับงานคุณศารกากลับไปหาน้บคุ่ทุกท่าน ไม่ไม่ท่วมค่ะพระอาจารย์แต่ป่านจะเป็นหลังเคลื่อนนะคะที่มีค่ะไม่ไม่กินกับของที่บ้านค่ะที่บ้านไม่โดนเลยน้ำไม่เข้าเลยไม่ไม่เข้ากับอาจารย์ถนนถนนไม่ท่วมเลยไม่่พระอาจารย์เดชโชคเดชค่ะอาจารย์มาฟังธรรมค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะอ่าเป็นไงประชาชนบัตอรี่บ้างยีงไหม ดีคัาบอาจารย์ก็คือนั่งแล้วมันสมุกง่ายขึ้นนะคะเข้าแล้วแบบมันมันมันสมูทมันเข้าได้เลยะค่ะอาจารย์ไม่เหงไม่เบื่อเลยไปอยู่คนเดียวเฉยเฉยเพราะว่าปกติก็อยู่ที่นี่ก็คือเหมือนเราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ฟังเทศอาจารย์แล้วก็พอฟังแล้วมันก็เข้าได้ พอแฟนมาลูกก็เข้าไปในห้องมันก็เหมือนแยกกันอยู่ปกติอยู่แล้วค่ะอาจารย์ได้ประโยชน์ครับได้ได้ประโยชน์เช่นไปได้ประโยชน์ไหได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าอย่างตับว่าลูกคิดว่าไปอ่ะมันก็คือมันได้ความสงกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกๆที่ไปเลยเนี่ยคือเหมือนว่าเราจะไปทดสอบว่าเราเนี่ยตัดไอ้พวก ไอ้ทุกอย่างพวกรูปเสียงกินรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ <Yeah. S 2> ว่าบางทีู่่บ้านเราอาจจะแบบอันนี้แล้วเราลงไปอยู่เวลาอยู okay. Okay. Is, ่บ้านมันอาจจะอยู่มันเจอมันเข้าใช่แล้วก็จะดูเรื่องความโลภเหมือนเราว่าเราอยู่ร้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนได้ขายยาได้เงินเราก็ลองไปแบบเจ็ดวันดูซิแล้วก็ดูซิว่าเป็นยังไงนคะคะมันก็คือเหมือนตัดไป ก็ทดสอบไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์คราวนี้ไปอยู่เชนวันเลย อ, อ<ด>ค่ะอ่ะดาดีค่นค่ะปฏิบัติวันค่ะพระอาจารย์อย่าทิ้งการปฏิบัตินี้ต้องปฏิบัติไปค่อาจาร <พา S 1> จนวามไม่มีกิเลสแล้วก็หยุดปฏิบัติได้คือตอนนี้ค่ะพระอาจารย์คือไอ้ไอ้ที่เราไปเจออย่างเงี้ยไอ้ความแบบ เกี่ยวกับไม่ดีของเราบางทีเราเจอใครแล้วเรารู้สึกไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมันจะน้อยลงพรเวลาต้องเฉยได้ต้องเฉยแล้ลูกก็จะเฉยค่ะแล้วลูกเลยแบบบางทีถ้ามันสมมุติว่ามั น, ม, นมันก็ลูกก็จะใช้เหมือนวิธีสอนว่าแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะคือไตรักหรือว่าเขาเป็นส้มเราจะให้เป็นกล้วยไม่ได้ประมาณนี้ใช่ เขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปอะไรเขาทำไมอย่างเง้ยไปยุ่งเอค่ะถ้าอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะต้องทาจนเรานิ่งไปหมดอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่นิ่งไปหมดเฉยอ๋อเจอใครเจออะไรไม่ว่าทั้งนั้นต้องเฉยได้หมดทุกอย่างโอ้ลูกลูกก็พยายามฝึกไว้เพราะว่าที่ท้าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราคิดว่าเราได้แล้วต่อไปบางทีมันอาจจะไปเจอปัญหาแล้วมันทําให้เราว่า เราได้ไม่ได้ประมาณค่ะก็ไปฝึกวันต้องเจอแล้วไม่ไม่นับไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ไปคิดว่ามันมันจะให้ความสุขกับเราเห็นอะไรก็รู้ว่ามันทุกข์ทั้งนั้นอ<ช>่ะถ้าเห็นว่าสุขก็หลงนะค่ะปฏิบัติทุกวันกับอาจารย์ค่ะอเธคุณหมอณนนพิดา ทำนรัมการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ในช่วงนี้พอดีก็เพิ่งมีเพื่อนมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีเป็นเพื่อนแพทย์แล้วเขาก็เหมือนตรวจพบมะเร็งบางตำแหน่งเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ก็ยังเป็นอะไรที่พยากรณ์โรคปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คืออีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาก็ยังตั้งครันอยู่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็โยมก็พยายามให้คำแนะนําเบื้องต้นเท่าที่ได้แต่ก็พยายาม แนะนำให้เขาเข้าหาครูบาอาจารย์มากกว่านะเจ้าค่อาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาอาจจะยังยังไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่เขาน่าเหมือนกับอยากอยากได้อาหารจานด้วยเหมือนอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็บอกเลยอาจารจานด้วยเลยอย่างมากก็ตายไม่มีการไม่ตา ย, ย <c oughs> ใช่ไหมบางทีคนเรลืมตายกันก็เลยวิตกกังวลมาก บ, บอกพอแตกไว้ หมออาจารย์จะทำความจริงว่าไม่มีใครไม่ตายอย่างมากก็าตายไม่วิตกกังวลทําไมรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายชค่ะแต่เขาก็เคยเหมือนปฏิบัติทำมาบ้างแะานะครับอาจารย์อาจารย์ด่วนดวนที่สุดก็คือความตายถ้าเข้าถึงความตายแล้วก็อิ่มใจก็อิ่มสบายไม่โัวตายนะ พยายรับการตายได้ก็สบายแต่เป็นเป็นยาเป็นยาคงไม่เป็ใครไม่เป็นใครไม่คนไข้ไม่อยากจะรับประทานกันเท่าไห ร, ร่แต่ ก, ก็ก็มีบอกไปเหมือนกันสุขภาพจิตว่าก็เหมือนแบบทดสอบหนึ่งของเขาที่ที่ถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะน่าจะเรียกว่าอาจจะถึงขัง้นบรรลุอะไรอย่างนี้ได้ถ้า ถ, ถ, ถ้าถ้าเขผ่านตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยสุขภาพราะจิต เจ้าค่ะก็เ อ, อนอกจากนั้นก็คือจะมีคําถามเกี่ยวกับ เ, เรื่องของถ้าถ้าคนที่เขาปริกวิเวกเ อ, อหรือนักบวชที่เขาได้ปฏิบัติต่อเนื่องเนีเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะมีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะที่บางช่วงเขาอาจจะเ อ, อมีจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาคือยมเคยได้ยินพระอาจารย์บางรูกเรียกว่าจิตเสื่อมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์แล้วอันนี้จะมีวิธีการจัดการตรงนี้อย่างไรเจ้าค่ะ ถ้ามันไม่เจริสติมันก็เสื่หมเลยมันมาฟงสร้างกันมแต่คิดเกียจไม่ประมาณที่ว่าจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องมีสติปล่อยให้ใจคิดเรื่องไปทํานู่นทานี่ไปเดี๋ยวก็รุ้งซ่านกันนะมาเต้องควบคุมตลอดเวลาไม่ปล่อยให้คิดคิดถ้าที่จําเป็นให้เข้าสมาธิบ่อยๆอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าประมาท ครับอาจารย์แล้วอย่างถ้าออกจากสมาธินี่เราจะสามารถทรงฌานได้มากน้อยอย่างไรไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่าสติเรามีมากมีน้อยถ้ามีน้อยเข้าไปฌานมันก็เข้ามันก็สวาะมันก็สว่งไม่ได้นานก็กลับมาจาระสติใหม่แล้วกลับเข้าไปใหม่ให้มันเข้าไปบหม่ไวให้มันอยู่นา น, น, าน ทำทั้งวันทั้งคืนทงหลายเรื่องสติเรื่องสมาธิมีไปก่อนใ่าค่ะแต่ว่าถ้าอย่างในชีวิตนี่มันก็จะได้ได้แค่ระดับหนึ่งที่มันอาจจะไม่ลึกมากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ก็ชีวิตของคาราวาเป็เหมือนกับรถที่ต้องวิ่งเลนซรายเห็นไหมถนนก็มีสองเลนให้วิ่งใช่ไรถช้ากับรถเร็วนะรถเร็วให้วิ่งเลนขวารถช้าให้วิ่งเลนซ้ายเลนซ้ายก็เป็นพุ่งรถ รถโดยสารรถบรรทุกของวิ่งเลยวไม่ได้งทีมก็ต้องจอดแวะรผู้โดยสารจอดแวะส่งข้าวส่งของอก็ต้องให้ชิดสายนี่ก็เป็นแบบพวกคาราวานที่ยังต้องมีภารกิจการงนางนอหื่นทําอยู่ไม่สามารถที่จะปฏบินะปฏบัติทั้งวันทั้งคืนได้เหมือนพวกที่ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนได้ก็ต้องเป็นพวกอะไรขวาเราไปทวดทวดทวดไปเลย หรือหรือเป็นพวกที่ขึ้นทางหลวงก็ได้นั่งปฏิบัติทุ่มนั่งบวชนี่ก็เป็นเหมือนพวกที่ขึ้นทางหลวนงพวกที่ยังอยู่ภายใต้ใต้ทางหลวงอยู่นี่ก็ติดไปแดงไปติดนู่นติดนี่ไปถ้าไปไม่ถึงไปช้ า, าวกว่าผู้ที่อยู่บนทางหลวงครับ ท, ท่านอาจาก็อยู่โาหนึ่งเราปฏิบัติท่านกียรติั่วม แจ้วค่ะก็พยายามเพิ่มอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้เป็นช่วงช่วงจาคะคนที่เขาปฏิบัติมาละยี่สิบชั่วโมงเราเหมือนเข้าหรืปฏิบัติจริงๆปฏิบัติยี่สิบชั่วโมงนอนสี่ชั่วโมงนะมึงปฏิบัติที่ก็หมายถึงไม่ได้มาว่าต้องนั่งสมาธิตลอดเวลาทำอะไรก็ให้เจริญสติก็เรยกว่าปฏิบัตินะควบคความคิดหุดความคิดตลอดเว เจ้าค่ะพอาจารย์ก็พยายามอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ <c oughs> ก็ขออีกคาถามหนึง่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคือผู้ผู้ที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยเออคือท่านก็ยังมีความแปรปรวนของอารมณ์ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ท่านจะไม่ทุกข์แบบนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะอันนี้ต้องไปเป็นไปไ ป, ไปเป็นก่อนก็แล้วกันไม่ต้องไปกังวลอันนี้กำจัดการแปรปรวนของอารมณ์ให้ได้ก่อนเจังหวะ ผุ้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ได้เป็นอแบบนี้จริงปฏิบัติไฟถึงเวลามันรู้เองสันทิฏฐิโกครับอาจารย์ก็วันนี้ก็วิจารณ์เท่านี้จเ จ, จ้าค่ะอาจารย์โอเคสาธุคุณอนุพัทธ์จ่าโมโหวนาสถานีกลับมาชการเจ้าค่ะพอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกขอโอกาสถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะได้ฟังการ ตอบคาถามของพระอาจารย์น่าจะเป็นตอนทำหน้ากุฏิอะค่ะมีท่านหนึ่งถามถึงที่ที่ท่านดูความคิดอะค่ะพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราดูความคิดแล้วเราไม่ได้วุ่นเราปล่อยวางได้เราไม่วุ่นวายใจแล้วก็เราไม่ทุกข์ก็สามารถดูได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากจะขอกลับเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงว่าก็เวลาเราจะดูว่าเราเรา เราคิดแล้วมันมันอยู่ในทางที่ถูกต้องหรือเปล่าก็าคือว่ามันมันไม่ทําให้เราทุกข์ใช่ไหมเจ้าขาพระอาจารย์ก็คิดไปในทางถือว่าคิดไปในทางทําได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันคิดไปในทางไปรักสักคิดได้คิดไปทางสุภาะะไราแต่ถ้ามันไปคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่อง น, นอี้เรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้อย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางนั้น ก็มาที่สติที่พระอาจารย์สอนเขาก็คือให้ถ้ามันทุกข์หรือว่าอย่างเงี้ยก็ต้องมาเจริญสติแล้วสมาธิดีกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมจาะใช่ถ้าเรายังไม่หยุดความคิดไม่ได้เราอย่าอย่าไปปล่อยให้มันคิดขรต้องฝึหยุดมันให้ได้ก่อนแล้วเมื่อเราหยุดมันได้ก็อาจจะปล่อยมันคิดไปทางตายถ้ามันเผล่ไปคิดไปในทางไหนก็ต้องหยุดมันอืมเจ้าขาพระอาจารย์ ไม่ใช่ปล่อยให้มันนัคิดเรื่อยๆแล้วก็ดเมินไปนองคิดเพเิ่มเจอเพร่มฝันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะให้คิดให้มันคิดไปในทางใจครับคิดไปในทางมัธยปภะคิดไปในทางปฏิคูนของอาหาราเพราะความความคิดเองน้นว่ามันจะไม่ให้ความทุกขแต่มันก็เป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์คิดเ พ, เพเิ่มเพิ่มเจอเพะิะมฝันไป แล้วมันจะทําให้จิตไม่สงบข่ะ แ, แ, แล้วมันจะกลายเป็นทุ่งซานได้ต่อไปทําปลามันคิดไปได้เลยอยังไปกดปล่อยให้มันคิดไปถ้ามันจะคิดให้มันคิดไปในทางปัญญาแทนข่ะไม่นั้นก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิด แล้วที่พระาอาจารย์ตอบคาถามน่าจะเป็นตอนช่วงหมอวีค่ะเกี่ยวกับปัญญาอบรมสมาธิก็คล้ายๆกับที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าคิดไปในทางใจรักก็คือปัญญาอบรมสมาธิคือคิดคิดในทางใจรักเพื่อให้เราสามารถหยุดความความความวุ่นวายความทุกข์นั้นได้ใช่ไหมเจ้าคองใช่มันก็ต้องมีเรื่องไม่ใช่อยู่ดีๆจะเจะปัญญาแนละ้วท่านใจมันไม่วุ่นวายมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปัญญาไปต้องไปใช้สติไปแทน เข้าใจเราเฉยๆไม่มีเรื่องไม่เลาเราสามารถดูดลมได้พูดโทรได้ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาก็จะดีกว่าใช่ไหมเจ้ า, าค่ะพันธ์ก็มันจะไปใช้ปัญญาไปแก้อะไรไม่มีอะไรให้แก่ตอนนั้นออืปัญญามีไว้แก้มันมีปัญญาให้กินถ้าเราไม่เจ็บท้องไปกินยาแ ก, ก้ปวดท้องขึ้นมาเราก็ทําหน้าที่ตามปกติได้แต่ถ้าปวดท้องขึ้นมาทําหน้าที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้ก็ต้องหาย า, ยามากินให้มันหายก่อน แล้วก็ค่อยมาทำงนานต่อได้ยังไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฉะรั่นนักสมาธิกับพิจ า, ารณาการสาธิสารอะไรไปมันก็มันก็ไม่ทำให้ใจสงบเหมือนกับการที่เราดูโน่เนี่นี่พูดโทกคำเดียวมันโฟกัสกว่าใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพาจา่าค่ะแล้วก็อีกอีกนิดนึงเจ้าค่ะคือช่วงเดือนเดือนธันวาลูกคาดว่าจะวางแผนไปกรุงเทพแล้วอาจจะไปฝั่งธรรมน้ากุติลูกขออนุญาตเรียนถามนะคะว่าถ้ามีผู้สูงอายุไปด้วยต้องเอากล้ออีแล้วนั่งพื้นไม่ได้ต้องเอากล้ออีไปเองใช่ไหมเจ้าค่ะพาร์่าเอไม่มีที่นี่ไม่มีอะไรไว่ต้อนรับของขครของมั น, น, นมใครนั่นเก้าอีเขาเก้าอีมาไปจะนั่งเสือก็เอาเสวอมาปล อือเจ้าค่ะจะได้เตรียมตัวไปเจ้าค่ะพระอาจารย์อืเจ้าค่ะแล้วก็อีกสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะก็คือที่กับเรียนพระอาจารย์เขาที่แล้วว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่พยายามพยายามที่จะทําเหมือนดูแลพระอรหันต์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พออยู่กับท่านแค่ลําพังสองสามคนอย่างเงี้ยค่ะพอทําได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่วันเนี้เจอบททดสอบก็คือมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างเช่นน้องสะภย้ยหลานอะไรเงี้ยมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็จะมีสอบตกนิดด้วยก็คือจะมีคือเผลอไปบอกคุณแม่ว่าอยาบอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจาร์บางเรื่องเนี่ยเจ้าค่ะก็เผลอไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจาร์แสดงว่าอย่างนี้คือเราต้องไปกลับไปเจริญสติมากขึ้นอีกใช่ไหมเจ้าค่ะพรอาจาร์มันจะได้หยุดได้ใช่เราต้องรู้ทุกเวลาทีที่เราพูดเราพูดอะไรกอจะพูดเราต้องรู้ว่าท่นมีสติ นี่นันยังมนันยัไปสอนแม่คองฮะยังเผลอเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกลูกสังเกตแล้วลูกลูกมีปัญหาเหมือนที่เรียนพระอาจารย์คือเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์เจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าถ้าอยู่กันสามคนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเรามีเวลาปฏิบัติจเจริญสติอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในรูปแบบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมีคนมาบ้านแล้วมีปฏิสัมพันธ์ <c oughs> จะเริ่มคือลูกกับคุณพ่อลูกทําได้ค่อนข้างจะเกือบเต็มเต็มเปอร์เซ็นต์เลยคือ จะทีท่านแบบสำรวมอยู่แต่กับคุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุยกันบ่อยแล้วก็เหมือนกับว่ามีความคุ้นเคยกันบ่อยจนบางทีเราเผอมันเป็นมันเป็นสัญชาตญาณาบางทีมันเผย อ, ออกมาเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่แต่ก็จะแบบเวลาท่านเหมือนกับท่านจะไปบบ<ๆ>ยุ่งกับคนอ<ๆ>ื่นอย่างเงี้ยบางทีเราก็เผือแม่อย่ายุ่งกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เผื่อ<ม>พูดไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็มีมีออกมาตอนที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนคนอื่นที่เข้ามาบ้านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์มันต้องแถ้ไขไปค่ ะ, คะแต่ว่าสอบตกสอบตกก็ ส, อ บ, <ะ>สอบใหม่สอบใหม่เจ้าค่ะเพราะวา่าถ้าเราไปเจริญสติปกติเป็นรูปแบบบ้างแล้วก็อยู่กับท่านสามคนไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เจ้าค่ะอาจารย์ใช่มันจะไปไปตกตอนที่มันไม่ได้ซ้อมมาก่อนในเหตุการที่เราไม่ได้ซัดซ้อมมาก่อน ใช่ค่ะเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาเหมือนกับว่าเราไม่ทันตั้งตัวเจ้าค่ะพรอาจารย์แล้วทีเราก็ต้องคิดสถาการเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดไม่เกิดขึ้นเราจะทันหรืไม่เหมือนเคสสตัตดี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพรอาจารย์ให้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราต้องแบบนี้แบบนี้เตรียมตั้งตัวตั้งจิตอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะอ๋อถ้าไม่ทันตั้งตัวก็จะหลุดหลุดได้เจ้าค่ะพรอาจารย์ค่ะก็ไม่เป็นไร นักป่ายังรู้พลานสีท้ายังรู้พลาดแต่ว่ายังว่ามุ่งขูข่กขารอยู่ก็ถูกบ้างผิดบ้างได้บ้างเสียบ้างก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจต่อไปค่ะแล้วก็เวลาเราทํางานบ้านก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนที่กับเรียนพระอาจารย์นะจ๊ะค่ะพระอาจารย์สติเพราะเราอาจจะคุ้นเคยกับการทํางานไปแล้วคิดไปมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มัน มันก็พอมันเราจะพยายามเจริญสติมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้นนในการทํา ง, งานบ้าง <c oughs> ได้บ้างไม่ได้บางอะไรอย่าง้มักเ ไ, ไม่รู้เลยค่ะค่ะแต่ถ้าในรูปแบบเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะมีมีอะไรที่มามาเป็นขีดกั้นอยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ค่อนข้างพอได้แต่พอเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นเป็นเอเรียบท ไปทำงานบ้านทำงานอะไรเงรี้ยหรือปฏิสัพันธ์กับคนก็ยังยังไม่ได้เจ้าค่ะฟ้ า, ฟาจาันค่ะมันเราพยายามค่ะทาให้มันจดจออ่อในงานให้มากขึ้นค่ะเจ้าค่ะค่ะมันใช้พุโทโธช่วยก็ไดนะ้ค่ะคิดก็ใช้พุโทโธกำกับอีกการหนึ่งไดนะ้ควบคุมงานกับการทํางานของเร า, า, า, า, าไปเอามาคู่กันได้ใช่ไหมเจ้ า, าอ๋อค่ะเพราะวันนี้ อยู่กับอิรยาบทมันมันไปเองมันเหมือน<ต>เหมือนความเสด็จ<อ>กาลังไม่มากพอก็ใช้พุทโธช่วยค่ะเจ้าค่ะใช้สองเ <พา S 1> ส้นเส้นเดียวกําลังไม่พอก็ะจะเอาอเส้นหนึ่งพุทโธอีกเส้นหนึ่งแต่ก็ต้องดูงานที่เราทาด้วยแล้วก็พุโทโธไปด้วยค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์สําหรับวันนี้ลูกมีเท่านี้สักค่ะก็ขอขอบพระคุณเจ้าค่ะ อ, ค, อะคุณแนแบบนบุญดอน การนามสกันนะแพ้จ้าวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเมืม่อไหร่จะมาใส่บาตรเลยแกใส่บาตรทิปใส่บาตรทิปไปแล้วค่ะแต่ตั้งแต่เข้าสู่มากับ2ปีลูกก็ไปใส่บาตรทุกวันปุ๊บเลยนะคะ <Okay. S 2> ใส่ตลอดคะ่ะค่ะมันอ้าวยันี้เปลี่ยนชื่ออะไรว่าเชียนาทอนอนมามสการค่ะพอดี ชื่อทำงานค่ะลืมเปลี่ยนกับชื่อเล่นค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะไปบนเขามาก็ดีค่ะเจออะไรไหมไม่เจอค่ะรู้สึกหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆค่ะอาจารย์ไม่ปิวง่ายเหมือนแต่ก่อนเวลาเจอแบบใครแบบแสดงอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็อยู่ได้แต่ก่อนนี่คือปิวตามเขาเลยแบบโอใช่ค่ะคือก็ ค่ะก็พัฒนาขึ้นค่ะต้องปฏิบัติทั้งขณะที่อยู่ตามลฟังะทั้งขณะที่เราไปเจออะไรด้วยนะน้องใจเราต้องหนักแน่นค่ะเ อ, อ่อยอ ย, ยังขาดตัวจินตนาการนะคะพระ อ, อาจารย์เพราะว่าบางเรื่องเราไม่ได้เตรียมตัวไปมันก็จะยัง ยังมีกระทบอยู่เล็กน้อยแต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกมาเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ว่ามันมันรู้สึกว่าเออมันสะกิดเราอยู่ค่ะก็เหามือนทับการบ้านเลยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวต้องเพิ่มตัวนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณเอเชียงรายอกครมวสการพระอาจารย์ครับ เข้าร่วมรับฟังครับอาจารย์เอมีคําถามครับก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับนะครับสาธุของอาจารย์ครับผมก็ไม่ส้อนกายังไม่ยาอเปลี่ยนชุดเลยนะชวดนี้นักกันเมืองจังจริงเหรอครับครับผมโอเคเทรนมาเทรนมาครับขอใอาจารย์สู้ะสู้แข็งแรงครับผมปฏิบัติ อยากใครเที่ยงคนกันไปได้เลยนะครับผมเขาก็เพิ่มชั่วโมงอยู่ครับาจารย์สุสุสเสวะที่ก็พยายามโดยจโกรมให้มากครับก็พยายามทําเพิ่มให้ประมาณสี่ชั่วโมงผูจ้จัดครับในช่วงช่วงตอนเย็นนะฮะแต่ว่าถ้าตอนตอนเช้านี่ปกติอยู่แล้วครับตอนเช้าก็สี่สามสี่สิบห้าจะถึงหกโมครับกลางวันก็ฟังคำผอาจารย์นะครับป<า>ระมาช่โงครับผมสามเครับคุณอคุณหมอ่าเสร็จแต่ผมขอทำหอ กลับมาสักการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังยังเนั่งสมาธิเช้าเย็นนะคะแล้วก็ยังคงเลยสักแต่ว่ารู้ได้อธิี้ก็ยังไม่มีอารมณ์อะไรนะคะพระอาจารย์นี่ก็เพิ่งกลับจากประทุมก็ฝ่อยวางได้ก็ทําตามหน้าที่ะ <Okay. S 1> แล้วได้ได้อ่านหลวง ป, ปู่เจีย๊ยด้วยค่ะเพ อ, เอ่อนโชคดีไปงานอภิธรรมของคุณชายอะไรนะคุณชายปั๊บอะไรเนะะี่ยค่ะที่ท่าน ไปปัม๊มก็ได้เขาแจกหนังสือของพระอาจารย์สงบมาก็ได้อ่านหลวงปู่เจีย้ยก็เลยได้มาต่อจิ๊กซอว์กับขอ ง, องตมามหาบัวพอดีเลยพระอาจารย์ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกโชคดีมากเลยมีบ๊อดระหนักบรมีที่ได้เป็นลูกศิษย์ระอาจารย์ขอบคุณมากนะคะพระอาจารย์โอเคไม่มีอะไรนะขุ้นเขาทําไม่มีอะไรอาทิตหน้าไปขึ้นเขาเป่าโอเค okay. คุณบ๊อดปัตตานีพทัทยาอยู่ที่ไหนอยู่ทั้งสองที่ สามนักการพระอาจารย์ครับพอดีลงมาทำงานงานจะไปต่างจังหวัดแล้วแต่ว่าลงาฟ้าที่ไหนเขาเรียกเราก็ไปดูให้เขาแต่บ้านอยู่พัทยาออนนี้อยู่ปัตตานีก็เลยตั้งชื่อไว้ว่าเป็นปัตตานีพัทยาครับก็ผมมีคำถามนะครับขออนุญาตดูโน้ตนิดหนึ่ง คือผมวางแผนว่าจะไปหาดูศพเพื่อเจริญอสุภะครับเผื่อจะมีอะไรพัฒนามากขึ้นที่นี้ผมก็ดูว่าว่าจะไปดูพิพิธภัณฑ์ม น, น, นุษย์จุฬากับศพสบาตาฟ์ทที่วัดทบาทน้ำพุที่นี่ครับกับพระอาจารย์ไม่ตามสถ า, านที่หรือแหล่งแนะนำอะไรเจริญอสุภะไหมครับก็อยู่ที่ว่ า, าอยางก็ดูของส่วนและของแท้ของส่วนก็้ำไปโรงพยาบาล จุลาโรงพยาบาลศิริราชหรือโรงยาบาลตํารวจลองไปสืบติดต่อเขาดูว่าเขามีการเปิดให้ก่อนเข้าไปดูเวลามีการช้กสุนสนหรือไม่เพราะงั้นก็จะได้ดูของสนถ้าเข้าไปดูตามพิพิธภาณฑ์ไม่ได้เป็นของแพงหรือดูในท่ามในก o เกิลก็ได้ก็ลองค้นหาดูใน Google ว่าไงให้ดูได้ แล้วก็แล้วแต่เจริญแล้วแต่ว่าอันไหนมันถึงใจไม่ถึงใจือในภาพอาจจะไม่ถึงใจดูของแห้งมันเก่าแล้วมันอจะดูของแบบสดๆนั่งเป็นยังไงอยากเราไปดูของสดๆมาลองเพื่จะมีอะไรพัฒนา ข, <อ S 1> ขึ้นเ<ข>อสอบถามโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตารวจเนี่ยก็มีคนที่อยู่วันดที่อยู่วันนี่เขาปีหนึ่งก็จะไปกัน ทำสองคั้นไปกับญาติโยมยครับแล้วพอดีฟังธรรมอะครับเออเมื่อสักครู่ที่ ท, ที่นั้นนพัสถามผมก็เลยมีมีฉอบตกบ่อยเหมือนกันรเรื่องเรื่องสติคืออยากตอบถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราเราดีฟกับอะไรสักเรื่องเหมือนมีสมาธิกับการฟังธรรมที่จดจ่อกับ ข้อมูลตรงนั้นจริงๆหรือเราอ่านหนังสือทำมาอย่างเงี้ยฮะบางทีเราไม่ได้เอาพุดถ่อวบไปได้เพราะเหมือนเราต้องดีฟกับกับเรื่องเรื่องนั้นเอ่อผมคน้นทํายังไงครับแบบบางคนไม่ดีฟหรออันไหนที่เราต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พูดถไม่ได้ใชาไหมหนังสืเราก็ต้องใช้ความคิดฝั่งธรรมเราก็ใช้ความคิดก็ไม่ต้องพูดถ่อแต่ถ้าเราทำงานเช่น ล้างถ้วยล้างชามนี่มันไม่ต้องใช้ความคิดแล้วมันจะไปคิดเรื่อมเรื่อมบุ้นเรื่องนี้กก็ต้องใช้พูโทโธมาช่วยอืหรือไม่งั้นก็ให้มันอยู่กับงานงานที่เราทําแล้วหยุดคอาคิดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็อาจจะใช้พูโทโธมาช่วยด้วยครับแต่ถ้าเราทํางานไม่ใช้ความคิดเราก็ต้องเราก็ใช้พูโทโธไปได้นี่ก็ต เราต้องใช้ความคิดไปเช่นทางนานซ่อมอะไรซ่อมวิทยุหรื อ, อหรือทำการทำบัญชีหรือวางแผนอะไรเราใช้ความคิดมันไม่ใช้คุาถูกง่ายครับแล้วคำถามสั้นๆอีกนิดหนึ่งฮะว่าอย่างอย่างน้องน้องสองคนที่เขาถามไปอะฮะเรื่องเรื่องหลงที่บางคนสับส พอดีอันนี้ขอตรวจสอบว่าผมเข้าใจว่าไอ้เรื่องหลงที่พระอาจารย์บอกน้องคือมันคือการที่เราอ่ะไปยึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับอันนี่เราไปคิดว่ามันให้ความสุขกับเราเนี่ยอม้วไม่สุขมันไม่มันทุกข์แต่เรามองไม่เห็นทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังของความสุขอะนั้นเหมือนยาขมเคลื่อนน้ำตายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นยาขมเพราะมมีน้ําตาเคลื่ออยู่วบาง เอาองเข้าไปแล้วถึงังรู้อย่าอตอนนี้ไม่มีแฟนนะคิดว่าถ้ามีแฟนแล้วจะมีความสุขใช่ไหมอลองไปดูแฟนมีแฟนหรือเปล่าลองดูสิมันจะสุขไหมหรือมันจะสุขด้านากี่มือดูยี่ห้อฮะผมก็ปรองอสุภาเขาเรื่องพวกนี้ด้วยส่วนหนึงฮะครับโอเคนะแล้วก็ ม, มีแค่สั้นๆอีกอีกสักอันก็ได้ก็เรื่องความความรูปที่ที่อาการถักน้องอ่ะคืออย่างพอเราเราถือสินแปดเรามักน้อยสันโดดตามหลักเนี้ยแล้วบางทีเราเราอยู่ง่ายแล้วอะแต่แต่ถ้ามีโอกาสทําให้มันดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออะไรก็ตามเนี้ยเราก็ทําอำเราเราควรจะทําให้มันดีไปตามที่ที่มันมันควรเจริญได้ หรือเราควรจะอยู่แบบเท่าที่พออยู่ได้ถ้าปัจจัยสิมันก็พออยู่ได้ก็พอแต่ถ้าเราเกาทั้งหดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องไปพัฒนาบ้านให้มันใหญ่ขึ้นไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มีแบรนด์เนมให้มันแพงขึ้นเสื้อผ้าที่มีอยู่มันใส่ได้ใช้ได้ก็พอไม่ต้องไปพัฒนาว่าต้องเป็นของแบรนด์เนมตอนนี้เรามีเงินเดือนมากขึ้น ซืดอลอตราคาแพงกว่ น, นี้ได้นี่นเป็นเรื่องของความโล่งถ้ามันทำทำไม่สันไม่นับน้อยอืมแต่ถ้ามันไม่ได้ทําเพื่อตัวเราครับพระอาจารย์เลยถ้ามันเป็นฉันทะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือเราควรทําเพื่อใครไม่ใช่ทําเพื่อตัวเราสมมติทําให้ครอบครัวเราทำให้ขขรเขาทำไมไทําให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาจะได้ มีร่างกาไปใช้อะไรร่ามันดีขึ้นเลยการนวเก่กกากรนวดหมายเนี่ยมันทําให้สุขภาพดีขึ้นอ๋อหมายหมถึงพวกยาหรือพวกที่อยู่อะไรที่เราบำรุงท่านได้ล้วก็ทาอะไรเงี้ยอ๋อแต่แต่จริงๆเราก็คิดว่าถ้าถ้าเขาแบบสมถะ ม, มันเหมือนเหมันเราอะไรเงี้ยแต่แต่เขาก็ยังยังไม่ถึง <c oughs> เราก็บก็ยังไปส่งเสริมก็ดีกว่าให้ก็สมถะไปนีกว่ายามมันยามันก็เหมือนกันเน่ยมันยามันจะไม่วิเศษประกันได้ไง ใช่ไหมเราในะเราใจนะโอเคอ่าม่ชีมะเมลนามสกันค่ะพรอ า, ราจารย์ไม่มีคำถามอะไรค่ ะ, ะที่เป็นก่อนนะจิพใช่ชี พ, ช พ, ชพมามนามสัค่ะพรอาจารย์อ่าจะยินยมไหมคะไม่ยินจะ แล้วจันสบายดีนะค ะ, ะสบายดีค่ะยมก็ปฏิบัติก็พยายามนั่งช่วงนี้เมื่อวานนี้มีข่าวแบบมากระเทือนใจก็เลยแบบไอ้ที่สิ่งที่เราคาดหวงังว่าเออมันไม่ต้องเกิดขึ้นแต่มันก็จะต้องเกิดขึ้นก็เลยแบบเออก็ไม่รู้ก็พยายามใช้จิตตัวเองสงบสงบโอเคอะไรจะเกิดมันก็เกิดเราจะไปบ้าบ้าที่ว่ามันไม่เกิดเราจะไป<ช>อ้าวว่าถ้ามันจะเกิด ใช่ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าโจมจะต้องไปขึ้นศาลอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะเราก็นึกว่าหวังว่าเออเผื่อัดสารท่านจะยกฟ้องเนอะเพราะคดีมันยืดยาวเหลือเกินปรากฏอ้าวไม่ยกฟ้องก็เลยอ่าโอเคก็ต้องไปขึ้นก็เลยรู้สึกแบบดาวไปนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยเราไปสับซ้ายก็ได้หรือเปล่าก็ไม่ได้อีกนะค่ะก็เลยแบบก็เลยแบบเออเราก็ต้องพึ่งตัวเองก็อย่าวเรามา คิดไม่รอบคอบใช่แต่ก็เราก็เผื่อไว้ละค่ะแต่แบบมันแอบมีใจลึกๆแบบว่าเออเผื่อหวังว่ามันคงจะเป็นแบบที่เราคาดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือทางหวยก็หวังว่ามันจะถูกนะแลมันถูกหรื่าใช่ค่ะมันก็ไม่ถูกนะคะมันก็เลยแบบแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอะไรจะเกิดเดี๋ยวเราก็เอาสติปัญญาเราเท่าที่ทําได้ก็พออะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยไม่ไม่ก็เลย รู้สึกแบบโอเคตื่นเช้ามาไม่อเช้าก็เลยนั่งสมาธิไปนิดนึงพอนั่งมันก็แบบจิตใจมันก็กระเจิงแบบอย่อแบบไม่สันโด่งนะ้าสั่งโด่งนะตามมีตามเกิดอินดีตามมีตามเกิดคือยมแค่ว่าถ้าเราตัวคนเดียวอ่ะมันโอเคนะคะแต่พอเรื่องนี้มันเกี่ยวกับลูกปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกแบบเป็นปัจจัยที่มันถ้าเยาว์คนอื่นนี่จะทําให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้มมันก็ไม่ได้อยู่ดี ค่ะแต่แค่เรารู้สึกพอเป็นเหมือนวันคงเป็นเกิดจากการคาดหวังแหละค่ะว่าเราอยากให้อย่างนี้เกิดกับลูกเราเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยความคาดังมันจะเป็นเหตุที่ทําให้เราเสียใจใช่ค่ะอันนี้มันจะถึกเกลียอย่างหนึ่งไหมคะมันคือความหลงใช่ไหมคะหลักการมันคือความอยากอยากให้มันออกมาทางนี้พอไม่ออกมาทางนี้ก็เสียใจใช่ค่ะ แต่มันไม่เสียเท่าใช่ไม่ไม่เสียใจเท่าอยากผอมเนอะพัดเอ้ยไม่ใช่มันเสียใจมากเก่นแบบโอ้อยากผอมแต่ไม่ผอมมันไม่เสียใจนะคะพอจะเลือกนะนั่นะน่ะสิคะ่ะมาเราลยมก็พยายามหาเรื่องใครเคลียรไปก็มาฟังพระอาจารย์ได้เห็นหน้าพระอาจารย์ได้ฟังเสียงก็ถือว่าเป็นกําลังใจแล้วค่ะพระอาจารย์ <c oughs> พระาอาจารย์อวยพรยมไหนได้ไหมคะ วันอังคารน่าโยมใจแบบวันอังคารน่ากับพุทธโยมคงไม่ได้เข้ามาฟังวันพุธนะคะอ่าอยากจะได้อะไรก็ขอให้ได้ทางใจหมายก็แล้วกันนะโ อ, อ้สาวดูสาวดูสาวดูพอานันประเสรของวันนขอให้เกิดขึ้นปุ๊กนะคะขอรเจ้ารักษ า, ส, าสุขภาพนะคะ ท, ทํางานเยอะมาทําค่ะแต่วันนี้พรเอิรว่าช่วงภาษีมันสุดละอาทิตย์เมื่อวันจารนร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็เลยเงียบมากไม่มีอะไร เงียบจริงๆค่ะก็เล <Okay. S 2> ยยุ่งยุ่งความยุ่งมันหยุดไปแล้วมันก็เลยแบบไั น, นไมีมสีการเปลี่ยนนั่นแหละธรรมดามันมันต้องจบที่เมษาไม่ใช่สิบห้าใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ขอยืดนะคะขอขยายยืดไปหกเดือนก็คือมันจะจบวันที่สิบห้าตุล า, ลาใช่ค่ะใช่แต่พอเอินว่าบางคนก็มา last minute แบบโหยมยังส่ง คือวันจันทร์มันเป็นเดทไลน์ใช่ไหมวันวันอังวันอาทิตย์ยังส่งให้ลูกค้าตอนห้าทุ่มอยู่เลยค่ะเจ้าบริษัทเรารับทำภาษีให้ให้ลูกค้าใช่ค่ะเขารับทำภาษีโยมไม่ได้มาคนทํานะคะโยมแค่เป็นคนประสานงานอบส่งกับบริษัทเชอาร์ลาไปใช่ค่ะใช่แต่เขาทําทําแบบมากกว่านั้นนะคะมีแบบพวกออเดดด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะเป็นสำนักงานเนสำนักงานบัญชีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคล้ายๆกันก็มีประมาณอยู่ มันมี3สาขาที่นิวยอร์กที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ที่แมรีแลนด์เนี่ยค่ะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียก CPA ใช่ค่ะ CPA certified public accountant ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่ยากมากเลยค่ะอาจารย์ต้องสอบต้องอะไรแบบกว่าเขาจะได้เป็นกันอะค่ะเหมือนเหมือนหมอเลยเขาจะได้เป็นสอบ ใช่ต้องสอบแล้วเหมือนเขาต้องเทรนตลอดนะตอนแรกยมก็ว่ายมจะไปเรียนต่อด้านนี้แต่พอเห็นเขาพอมาเริ่มมาจับงานจริงๆแล้วโอ้โหมันดูมันต้องดิวกับคนเยอะมันสร้างความวุ่นวายในชีวิตมากขึ้นก็เลยไม่เอาดีกว่าเลยเรื่องจ า, <ช><ร>าเยื่อเยอะร า, รารยละยะกฎหมายมันค่อนข้างดียาต้องรู้ทางรูเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วมันเกี่ยวกับเงินของคนอื่นด้วยค่ะทุกคนก็อยากจะได้เงินภาษีคืนเงินภาษีคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะภาษีภาษีน้อยที่สุด ใช่ใช่หรือว่าก็หลบเลี้ยงโยมก็เลยคิดว่าบางครั้งมันก็ช่วยมันมันเป็นอาชีพที่เสียงระหว่างช่วยคนกับเอาเปรียบรัฐบาลนะคะยมก็เลยเอ อ, <c oughs> เอออย่าอย่าไปยุ่งดีกว่าอไอย่างตามกฎหมายแล้วทาตามกฎหมายไม่เป็นไรถ้ากฎหมายเขาอนุญาตทําได้ก็ทํำไปก็ก็ใช่ะค่ะบางคนก็รู้กฎหมายรู้เยอะก<ม>็ใช้กฎหมายในทางที่ไม่ชอบก็มี <c oughs> ก็มไมเป็นไรนะครับมันไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าโอเคอเออก็มาขออนุาตอ่าค่แล้วมันผิดถ้ามันผิดศีลธรรมละเอออย่างเงี้ทยทํายังไงครับพระอาจารย์แบบมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันอาจจะผิดศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นคนรักษาศีลเราก็ต้องไม่ทําแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ทําได้ใช่ค่ะโยมก็เลยว่ามันเป็นกัมกึ่งกัมกึ่งนะคะพระอาจารย์ยมันก็เลยว่า เอออยาเอาทางนี้ดีกว่าเราไปทางที่ไม่ต้องยุ่งกับใครค่ะคุนไปแม่ค้าขายหมูปิ้งนะอะย่างเงี้ย <laughs> อ๋อใช่ลูกชอบมางเลยค่ะอาจารย์ยมอยากไปหาสูตรอยู่ตอนไปเมืองไทยอ่ะลูกกินหมูปิ้งทุกวันเลยพระอาจารย์ <laughs> โอเคแล <laughs> ้วเอาแล้เดี๋ยวหิวเดียวหโอเคตอนนี้นะ <laughs> <สาร>ค่ะค่ะเราคิดถึงพระอาจารย์เสมอนะคะ <laughs> โอเคอเค่ะส <laughs> <ง>ดีค่ะสุขภาพค่ะนโมนโมตัดตอธรรม มาสักกานครับพระอาจารย์วันนี้มาฟังธรรมมาส่งกันบ้านแล้วก็มีคําถามครับก็ฝึกปฏิบัติจเจริญสติต่อเนื่องครับพระอาจารย์อาจจะมีเอฟุ้งบ้างหรือไม่ฟุ้งบ้างมแล้วแต่วันนะคะพระอาจารย์แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่แล้วค่ะพระอาจารย์ยังลืมครงกระดูกหรือเปล่าไม่จําได้แล้วก็จังจําได้ครับพระอาจารย์พยายามพิจารณาอยู่ครับแล้วก็ ผมได้เหมือนมันมีของแถมที่ได้มาพอพิจารณากระดูกอะค่ะผอาจารย์ก็คือมันจะได้เป็นมรณาทาสติมาด้วยอะคะอ่ะผอาจารย์วันหนึ่งเราก็ต้องตายล้วก็เหลือแบบเศษซากโครงกระดูกแบบนั้นอะไรเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็หลังจากที่นั่งเปิดอ่านเท็กซ์บุ๊กอะคะอ่อ ะ, คะอาจารย์เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะนาโตมีอะค่ะอาจารย์ก็ไปคุยกับยายก่อนนอนแล้วก็ ตอนนอนในฝันนะคะอาจารย์มันก็เหมือนพูดขึ้นมาในจิตใต้สำเนิก่ะับอาจารย์ว่าเดี๋ยววันหนึ่งยายเราก็ต้องตายแม่เราก็ต้องตายพ่อเราก็ต้องตายตัวเราก็ต้องตายเป็นโครงกระดูกอะไรเงะะี้ยครับอาจารย์ดีครับอาจารย์แล้วก็เป็นความจริงใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แล้วก็เอ่อคำถามวันนี้ครับอาจารย์ก็คือมันจะมีสอบอะคะรับอาจารย์แล้วผม ขี้เกียจขี้เกียจเตรียมสอบอะไรเงี้ยครับก็เหมือนในแพลนคือตื่นมาตีห้ามาเตรียมสอบอะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าพอถึงเวลาจริงพองนาฬิกามันปลุกใจวิเด็ดพอครับอาจารย์ก็ขอนอนต่ออีกห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยครับพเจรย์มันมีวิธีนะครับที่จะให้ลุกขึ้นมาทําได้เลยไม่ขี้เกียจครับก็ทําตอนตอนตอ น, ตอนนอนแทนสิทักทายจัน ทำมันตืน่นนอนแล้วมขี้เกียจ ท, ทำว่าทําอนก่อนนอนเลยไหมทำทห้ต้องเว้นอให้มันตื่นแล้วค่อยมาทำก็ทําทให้มันเสร็จก่อนนอนแล้วค่อยไปนอนเลย <Okay. S 2> อาจจะนอนดึกหน่อยก็นอนไปคุณแม่ไม่ค่อยอยากให้นอนดึกครับถ้าเ ข, า, ขาบอกว่านำเตรียมตัวทางเตรียมตัวสอบ น, นะก็มีเหตุผลที่ไม่ไม่นอนเด็กเพราะปวดจะดึงหนังดูปวจะเล่นเกมมากกนะ่ามั้งทนั้นดูว่าจะทํา อทาการบ้านดูแลสือแม่ก็งไม่ห้ามเราครับอาจารย์อ่าแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเหมือนมันจะเริ่มสูงช้าแล้วะครับอาจารย์อจเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่คุณแม่เขาอยากให้นอนเร็วๆจะได้ตัวสูงนะครับอาจารย์ที่อย่าไปยุ่งกับร่างกายมันมันสูงเยอตี้ย ม, มันก็เป็นธรรมชาติของมันนะล้วปันญาน้าตาเราเลยไครับเดี๋ยวรีบไปบอกคุณแม่เลยครับอ มันจะสูงก็เนี่เตี้ยมันไม่ได้ทําให้เราชัว่วแล้วดีนะการสูงการเตี้ยสอบตรงนี่ยมันจะทําให้เราแย่ทำให้เราโง่มากกว่าครับรจราจรย์มันดูว่าไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันคับพระจารย์ได้ครับจะรีบไปบอกคุณนม่เลยครับขอ บ, บ, บคุณพระอาจารย์ครับวันนี้มีเท่านี้ครับโอเคอคุณคงเนธจากญี่ปุน่นได้ยินไหมคงเนธ ไม่ได้ยินปายฝันนานมาแล้ว่ากล่าวนมาสการค่ะพระอาจารย์พอดีดทําสุราด้วยค่ ะ, ะเข้ามาฟังค่ะแล้วแล้วก็รอบที่แล้วจะส่งกันบ้านแต่ว่าส่งไม่ทันเหมือนกับเหมือนกับเปิดกล้องไม่ทันนะคะเหมือนช่วงใกล้ใ้จะหลับนะคะค่ ะ, ะ, คะก็ปฏิบัตินีสัจชิกช่วงวันพระอะไรอย่างนี้ยค่ะอะดี ทำต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแบบต้องต้องทำงานวันต่อมาโยมก็จะจะจะไม่ได้ทำะคะ่ะก็ต้องมความเหมาะสมอะไรกันะะดูสภาพร่างกายอะคะ่ะดูหลายอย่างค่ะเข้ามารับฟังค่ะช่วงนี้ไม่ได้เข้าซูมแต่ว่าก็ฟังทาง<บ>ทาง facebook แล้วก็ย้อนหลังค่ะได้สาธ<อ>ุค่ะสาธุค่ะ คุณนพัฒนาจากบอเวนเชิญมาเลกล่าวนวัตการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาขอว่าฟังธรรมแล้วก็เข้ามากราบพอาจารย์นะคะโอเคไม่มีอะไรค่ะไม่ลายพรยมหญิงครับกลาวนวัตกรรค่ะกล่าวนวัสการมพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาค่ะพระอาจารย์นิดนึงค่ะพระอาจารย์คือระหว่างที่โยมนั่งสมาธิ เอ่อตอนแรกโยมก็ไม่ไม่ไม่โยมก็ปล่อยตามปกติอ่ะค่ะแล้วพอเหมือนกับพอเรามีเราเราสติเราดีมั้งคะความรู้สึกมันรู้สึกว่าตัวเราตั้งกายตรงขึ้นมาเองค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามั น, ค, ค, ค, ค, ค, ค, นมมค่อยค่อยค่อยค่อยขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเราตรงเดี่วเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เป<ค>็นไรไม่ต้อง ไ, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปสนใจทางเรื่องทางร่างกายเนื่ของความรู้สึกให้สงบนะผลที่เราต้องการให้ภาพสงบนะ สงบความนิ่งของใจตัวอย่างง่ายช่างหัวมัน่ยมันยังอะไรงไม่ต้องไป<ช>สนใจได้ค่ะเป็นอระเด็นสําคัญค่ะพระอาจารย์แต่ตอนที่เรานั่งนั่งสมาธิเราก็ปกติอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าพอเราสงบอะค่ะเรามีความสุขว่าตัวเราตั้งกายตรงขึ้นมาเองแล้วมันก็ตรงเดี่ยวดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะทุกข้าพระาจารักษาท่าขันนะคะรักษาทุกท่านที่ขานะคะคุณธนพลเชิญ กรมัสการครับวันนี้มากราบพระอาจารย์ครับแล้วขออนุญาตเดี๋ยวขอตามคุปานิดนึ่งนะครับขออนุญาตครับา ไ, ไปเจอน้องไปเจอน้องมิ้น่ยังเจอค่ะห้าวันเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองก็ค่ะอ่ากี่วันอาทิตย์หนึ่งนะข้อดี้นะอาทิตย์หนึง่งกอาทิตย์หนึ่งห้าวันห้าวันเองค่ะ้นคเป็นอย่าง้เขาดีไหม อืมก็ดีอ่ะเจ้าค่ะก็เอ่ออาจารย์การปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่าพยายามให้รู้รู้รู้รู้ที่ตัวเองอะเจ้าค่ะว่าตอนนั้นอนะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แล้วแตว่าเราอยู่เราปฏิบัติอะไรเรามีหลายระดับหลายขั้นด้วยกันเริ่มตน้นก็ปฏิบัติสติก็ทำให้ใจไม่คิดให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่อยู่กับพุโทโธ อาจารย์อย่างอย่างเอที่ไปเจอเอแม่ชีรูปหนึ่งอะคะ่ะที่เราปฏิบัติมา น, นานแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความหมึกมิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ทีนี้พอปลาเห็นใจตัวเองเนี่ยพอเราเห็นเห็นอารมณ์เขาอะคะ่ะแล้วก็เห็นความรู้สึกว่าเกิดเกิดความสงสารอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็เลยเหมือนกับว่าก็ไม่โกรธเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอพอไม่โกรธเขาก็แบบ เหมืเข้าไปกอดเขาไว้เขาแบบว่าให้มีใจสบายๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็เลยเห็นใจตัวเองว่าเออเราน่าจะน่าจะแบบเห็นใจตัวเองเลยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมก็เลยแบบอ่ะเราไม่โกรธแต่เรามีมานะอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไเราตามที่เรียนต้องมีมานะอยู่มานะมันเป็นขั้นสุดท้ายตอนนี้เราขั้นไม่โกรธให้ได้ก่อนอ่าค่ะ อาจารย์แต่ว่าพอกับกับเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าความรู้สึกหมุดหิดอะเหมือนกับมีมากกว่าป้าก็เลยมานั่งคิดว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะที่ที่เราสลัดไม่ได้เราละความหมุดหิดไม่ได้มันก็เลยเป็นเป็นวงจรที่เหมือนว่าก่อพระก่อชาติมากขึ้นหรือเปล่าคะยิ่งสนิทกันก็เลยยิ่งแบบคลายยากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยิ่งสนิทกันมันความอยากมันก็มากขึ้นความรักใครมันก็มากขึ้นพอไม่ได้มองการง่มันก็โง่เหวี่ยมากขึ้นคนไม่สนิที่เราค่อนโง่เหวี่ยงกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรจากเขาไม่ได้เราก็เลยไม่มีความอยากได้อะไรจากเขาพอนั้นไม่ค่อยโเหวีจยกคนที่เราไม่สนิทด้วยถ้าคนสนิทเนี่ยเราู้ว่าอยากจะได้อะไรก็ได้มันก็เลยลาบปางทาไม่ได้มันก็เลยรับปางทำไม่ได้มันก็เลยโง่เหวี่ ไปความสงบกปหยกความหุ่นงิดอาจารย์ตาก็เลยคิดว่าเพราะว่ามันละยากมันก็เลยยิ่งผูกยากข้ามพบข้ามชาติจนเพราะเหตุนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็นั่นแหละมันต้องมาอยู่คนเดียวมันจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นถ้าอยู่ด้วยกันมันก็อย่างนี้แหละมันก็ตอบสนองตัานทาของเราได้นะก็เลยอยู่ของเขาไปเรื่อยๆเลยไม่อยากไปยากจากเขาไปกค่ะ ก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรก็มิ้นก็ดูเขาก็อปฏิบัติดีอะเจ้าค่ะต้กลนหัวเปล่าต้กลนหัวกลนหัวค่ะกลนหัวค่ะก็กลนหัวแล้วก็แต่ก็ยังเหมือนกับว่าใส่ชุดแต่ว่าไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นแม่ชีอะค่ะค่ะเหมือนก็เหมือนกับยังไม่ได้รับอนุญาตป้าไอ้ป้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะเหมือนเดิมอะค่ะก็ปฏิบัติอย่างนี้ค่ะ โอเคก็อนุโมทนาไปกับเขาเรื่อยมาปฏิบัติให้มากยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องสอนสอนคนอืค่ะเอาตัวเราให้เสร็จก่อนเนี่ได้จบก่อนแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่มันเป็นเรื่องที่อดไม่ได้ของทุกคนเลยอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็มันเรื่องกิเลสเนี่ยมันก็ต้องวาเป็นกิเลส่ะเราไปกิเลสล้วก็ต้องหยุดนั้นค่ะ เราบวชเพื่อหยุดกิเลสเรา่ากิเลสไม่ใช่มามาละใช้กิเลสอืมใช่ค่ะมันมันเหมือนกับปาเข้าใจว่าคนที่จะปฏิบัติดีเนี่ยคือจะต้องละ ก, กิเลสในตัวเองให้ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยอะคะ่ปะปาเห็นแลกายมันก็เป็นปัญหาเงินไมน่ไหนเงา <c oughs> แต่มันก็มันก็มันก็ทําได้มิเช่นนั้นมันก็มันจะไม่มีผ้าหลานปรากฏขึ้นมากะต้องเดินทางเก็บแจมไปเรื่อยๆครับอย่าไปเสียเวลาการเล่าเลยมันไม่แก่ดประโยชน์อะไรกับตัวเรานี่เวลาเราหมดก่อนแล้วเกิดรักตีรักคันจบก่อนยุคนีจบแล้วต่อยไม่ได้นะนะแต่เกิดรักคันวันตีปั๊บนี้ต่อยไม่ได้ ใช่พระอาจารย์เหมือนกับว่าเวลาเวลาเข้าวัดแล้วเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ลักกิเลสอ่ะปาเห็นว่าเหมือนกับเป็นการเหมือนเพิ่มกิเลสเยอะขึ้นนะคะในก็แต่วัดไหนก็ไปวัดที่ไม่มีกรรมการพวกคอยอยควบคุมมันก็อะไรอย่างนี้แต่ถ้าว่าให้มีกรรมการคอยคุมมันก็ถ้ามีครูบาอาจารย์คอยคุมมันก็กิเลสมันก็มันไม่ได้ออกมาแล้วถืมถูก ถูกไล่ไปเนี่ยไม่อยู่แต่ถ้าว่าไหนที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรืบาอาจารย์มาแท<ถ>นไหวปะเราเลยกิเลสมันก็ออกมานะเพราะกิเลสมันมีตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วค่ะค่ะพระอาจารย์มันเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันโอ้โหมั น, ม, นมันเยอะมนอันตัวกิเลสตัวใหญ่เนี่ยมันลดลงได้แต่ว่าอกิเลสตัวที่แบบว่ายิบย่อยยิบย่บยบยอยเนี่ยเรารู้สึกว่าหูมันมันเยอะมากค่ะพระอาจารย์แล้วก็ มันข่มข่มใจตัวเองไม่ค่อยได้อะค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะความอืมอัตราตัวเนี้ยค่ะพระอาจารย์ตัวอัตราตัวอันนี้ตัวใหญ่เไม่ว่ามันตัวเล็กตัวอ๋อคิดว่าเราที่เที่ยวที่เราว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวเล็กเป็นตัวที่เราลากได้เนตัวเล็กในที่ตัวลาไม่ได้เรียกว่าตัวใหญ่นี่ที่ลากได้มป็นจรงจริงเป็นกิเลสหยาบใช่ไหม อแล้วก็เหมือนกับว่าปากว่าตัวเองเยอะปาก็าเห็นของมินก็ก็ไม่น้อย <c oughs> ไ, มไม่ต้องไปดูคนของคนอื่นดูอของเราก็พอเราไปเราเป็นจ่ากีเล่ของคนอื่นไม่ได้โน้น้ากีเล่ของเราอ่าอาจารย์คิดว่าตัวนี้ยากยากมองผิดม อ, มองผิดจุดแล้วต้องมองใจเราอย่าไป ม, มองใจของคนมองกีเล่ของเรากีเล่ของคนอื่นนี่มันไม่ใช่ของเขาก็ต้องก็ต้องคาจัดมันเอง ของใครของ ม, อมัยิ่ ง, งเราเห็นกิเลสคนอื่นก็เท่ากับกิเลสเราตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมไเพราไม่แน่ถ้าเห็นแล้วมาเป็นวัเรียนสอนเราว่านอยากเป็นอย่างนี้นะ ม, มันก็เป็นัธรรมนนะนาะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีแล้วเจ้าคะโอเคอย่าอนอีกต่อนนื่คุณตายอัจยา กร้อมกับน้ำมันสกัดนะคะผ้าจานอะอรอย่าไรมันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรคะ่ระผ้าจาย์กําลังอยู่ในช่วงทาบุญอยู่เยอ<ล>ะๆคนะ่ะเดินทาไ ป, น, ป, ปนู่นไ ป, <ำ>ปนี้่ทำใช่ค่ะอ่าดีชมนิธรรมไปเลยค่ะผ้าจารย์แล้วก็แบบว่าเวลาเราทําบุญเนี่ยโยมก็ไม่ค่อยได้ชวนใครเท่าไหร่อันนี้มันจะขาดบริวาร น, นะคะเห็นเขา้า<ม>เห็นได<ล>้ห บริวารมันขาดเพราะเราไม่เมตตาคนถ้าเราเมตตาบริวารเยอะเองไม่ต้องปวดไม่ได้อยู่ที่การชวนหรอกถ้าชวนมันก็มันมันมันอยู่ที่อยู่ที่ความเมตตาถ้าเราไปอยู่เรื่อยๆบริวารไม่ถ้าไปถ้าไปไหนเราเป็นคนจายเดี๋ยวบริวารถ้าตายไม แล้ว เ, เ, เราไม่ไหนเราไม่จ่ายแเราเราไม่ฟังกระเป๋าเลยปล่อยคนเขาฟังนีงแล้วเขาไม่รีบริวาณ <c oughs> มันจะอยู่ที่ชวนชวนมีใครก็ชวนได้พูดได้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์แบบชวน ร, รวมสมมติว่าเราจะทำโรงทานสักสั ก, สกหลังเล่นกันนะไม่ต้องไปชวนใครหรอกชวนมันไม่ได้เป็นบริเวณมากับเราแต่ถ้าแจากแจกเข้าเนี่ยเขาจะมาอ๋อค่ะ ถ้าชว น, นเา้ากามีของแจกให้เข้าหมา่เดีวตามมาชวนมาแล้วมีซองแจกให้เนี่ยเ๋ยมากันเยอะแยะไปเอค่ะก็ยอมก็ไม่ค่อยได้ชวนขครก็แต่ว่าเขาบอกว่าก็ชวนมั่งสิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวชั้หน้หานไม่มีบราตอนเช้าตอนที่เราบินถวัลเนียเสร็จเนี่ยโ อ, โอมีบริวารมาเรารับของเต็มไปหมดเลย <Bened etti> เห็นไหม <c oughs> เห็นในภาพไหมเห็นค่ะนั่นแหลเราแจกของดูสิตามมากันเองอ่ะไม่ต้องกลัวเรื่องบริวาร อยากจะได้พลังว่างมีทำไหมก็แบบว่าชาติหน้าพบหน้าก็จะได้มีคนเพื่อนโน้นคุ้นอะไรอะไรแบบนี้เขาไม่เพื่อนโน้นหรอกเขาจะมาค้อนเขาจะมาดูดเรามากกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ชาตินี้ก็โดนดูดเยอะแล้วนะคะอาจารย์อ่านเขาป่อยว่าดูดไป อ, อย่าไปอย่าไปหวังอย่าไปหวังพึ่งใครพึ่งเจ้าพึ่งตนเอง ตั้งแตเองกัเ ห, น, น, หนื่อย่านะวะ้าอาตายอตานโนนาเถตอนเป็นที่เพื่อนของตอน <Okay. S 2> ส่วนก็เลยก็จะมันเป็นบริวารก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขามีศรัทธาก็ก็มีความเรื่มสายแล้วก็จะมาเป็นบริวารก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความดีของเรามากกว่าที่ดึงดูดเขาเราทําความดีเข้าก็มีคมนมาดึงดูดเนาะมันเข้ามาหาเราเองเนีย่ยเราเนี่ยอาตมาเนี่ยมีคนเข้ามาไม่กี่คนนั้น บ, บริวารเท่านั้นเอง ขอให้มีอะไรให้เขาเขาก็าเขาต้องการนั่นแหละเขาก็มาหาเลยเองถ้าเราไม่มีอะไรเขาก็ไม่มาเจ้าค่ะเราจะได้ไม่แบบว่าเออไม่ต้องคิดมากเวลาทําบุญก็จะต้องไปชวนคนําที่แบบแล้วก็ทําบุญเท่านั้นนะคะอาจารย์คุณงานทําดีของเรามันจะนึ่งดุจคนค่อยไม่ทำไปชวนคนเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ แต่บากบุญได้ถ้าเกิดบางทีเขาไม่รู้แล้วบางทีเขาอยากจะทํำเลยถ้าเขาบอกไดานถ้าพี่ทําบุญที่ไหนบอกด้วยนั่นเขาบอกก็ได้ยง oh. ไม่ไปปิดกัน้นนั่นก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญบางทีเขาไม่รู้จะไปทําที่ไหนเขอาจจะรอเราเป็นผู้นำแล้วก็บอ ก, กไปแต่อย่าไปบอกในเชิญบังคับว่าต้องไปนั้นต้องอะไรอย่าง น, นไปไม่ไปเรื่องของเขา ค่ะา่อจันขอบพระคุณมากค่ะโอเคอยากไปทําว่าเราอยากจะได้บริวารอันนี้เป็นกิเลสนะเขาจะไปถ้าหนูทำคนเดียวก็จะมีคนมาทักว่าทําไมไม่ชวนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้งยก็ไม่เคยไปชวนใครก็บอกก็าไม่แค่ะนั้นเลยค่ะได้ค่ะพ่อจันคุณจะชวนก็ได้ถ้าอยากจะชวนก็ชวนไปแต่ยังไม่ชวนเพรา<ต>นะอยากจะอยากจะให้เขามาเป็นบริวารเรา เพื่ออยากจะเปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสได้ทำมือด้วยอืมค่ะพอาจารย์เดี๋ยวจะคิดใหม่ค่ะพอาจารย์เป็ีนใหนะค่ะค่ะครับขอบคุณค่ะสาธุคุณหมอวีรพันธ์จากพิษณโลกอาจารย์กับอังสการครับอ่าเป็นยังไงังสบายดีอยู่ครับอาจารย์ครับ อาจารย์เลยถามเรื่องเมื่อกี้ต่อเลยครับอาจารย์ที่พระอาจารย์คนเขาก็มีอยากจะทําบุญเขาก็ถามเข้ามาเรื่อยเลยครับอาจถ้ามาถามก็บอกได้แต่ถ้าเขาไม่ถามก็ยังไม่บอกครับเดี๋ยวอาจารย์เป็นี้ก็เป็นบองทําให้เขามาทําบุญบางทีเก็ทําด้วยความเก่งใจัอาจย์แต่ถ้าเขาบอกไว้ว่าถ้าที่ทําบุญที่ไหนช่วยบอกด้วยนะดะวยอย่างนี้ก็บอกกันได้แร่ถ้าเก็ไม่บอกก็ไม่น่าไปบอกพอดี่า แ ล, แล้วทีนี้เมกีต้องไปบอกเบอร์บัญชีของใครดีอรัอาจารย์ก็แล้วแต่เราอนั้นถ้าเราสนุกจะให้เขาไปโอนเข้ากับวัดเลยหรือที่ไหนนั่นก็ดีเราจะแน่ไม่ต้องมาเป็นภาร์ล่ะก็ถ้ามาเข้ามาบัญชีแล้วเดี๋ยวบาทีเราต้องไปยินยันให้เขาเห็นเองว่าเราเราไม่ได้เก็บไว้นะเราต้องถ้ทาที่ดีก็ให้เขาโอน น, นอกจากเขาเขาไม่มั่นใจเขาอยากจะผ่านเราก็ก็แล้วแต่แตครับครับผม เพราะว่ามีคนหลายคนถามมาทีผ่าจานครับผมก็ไม่ได้ก็ก็อย่างว่าแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงถ้าถ้าก็ถ้าก็ถามก็บอกได้ถ้าถ้าก็ถามก็บอกได้แต่ถ้าอยู่ดีๆไม่ต้องไปบอกเขาผ่าจานครับครับแล้วก็มีศรัทธาก็อยากจะทําบุญนะเขาสะดวกที่จะโอนเข้าบัญชีก็บอกได้ครับอาจาย์ครับ จะได้จะได้สะดวกใจก็ผมตั้งแต่ทำมายังไม่เคยบอกใครเลยครับไปไปตัดโอกาสคนบางคนไปทําใช่ถ้าเขาถามว่าบอกได้แต่ถ้าไม่ถามไมยังไม่บอกครับอย่าไปชวนเขาครับอาจารย์ครับได้เลยครับผมวันนี้ก็ตั้งใจเข้ามากราบอาจารย์ครับไม่ได้มีคำถามอะไรครับโอเคย่าเงี้มาที่เจอกันใช่ไหมมาใช่ครับอาจารยาทิตย์ละจ้โอเคจ้าเดินพบอาจารย์คุณพอาจารย์คุณพงม ตลอสัการ์ครับอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามสั้นๆครับประมาณสามคำถามครับอาจารย์ครับผมคำถามแรกครับเป็นของพี่สาวที่รู้จักกันครับ <Yeah. S 1> เขาฝากถามมาครับอาจารย์ครับ <Yeah. S 1> เกี่ยวกับความโกรธครับอาจารย์สอบถามว่าบางคนรู้สึกว่าเพราะคนอื่นเพราะเธอนั่นแหละมาทําให้ฉันโกรธบางคนเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของใจตัวเองแล้วมีตัวเราไปยึดมั่นถือมั่น เอาความปรุงแต่งนั้นเอาไว้จะเห็นว่าคนแรกบอกเกิดจากคนอื่นคนที่สองบอกเกิดจากใจตนเองอยากให้พระอาจารย์ช่วยอภิปรายความแตกต่างให้หน่อยเจ้าค่ะอการที่คนอื่นไปโทษคนอื่นว่าทําให้เขาโกรธนะั้เพราะว่าไม่เห็นตัวที่ทําให้เราโกรธจริงๆตัวที่โกรธจริงๆมันอยู่ในใจเราแล้วตัวที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราเนี่ พอเราอยากให้ก็ทำอะไรเพราะก็ไม่ทำเราก็โกรธรับใช่ไห ม, มครับส่วนอีกสองคำถามเป็นของผมครับอาจารย์ครับช่วงนี้ผมก็ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสงบครับแต่พะมันพอมาใช้ชีวิตทางโลกครับมันมีความเมื่อไหน่ายด้วยครับต้มอยับรู้ว่าความสงบกับความเมื่อไหน่ย ในการใช้ชีว então, ิตท no ั้งโลกมันต่างกันไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เพลิดเพลินนะครับเราไม่เพลิดเพลินกับความสุขภายนอกแต่เราเพลิดเพลินกับส่งความสุขภายในครับมันก็ไปต่อได้เรื่อยเรียนรู้ฟั้างทำปฏิบัติบังสมาธิได้เรื่อยครับแต่พอไปใช้ชีวิตอย่างทํางานทั้งโลกครับมันรู้สึกว่ามันเห็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดเลยครับก็นั้นแหะมันจึงทําให้คนไปบวชเช่นไงมันไม่รู้จะอยู่ทางโลกทาไมมีแต่เรื่องทุกข์ ไปบวชเนี่ยไปปฏิบัติอยู่คนเดียวมันขัดมีแต่เรื่องความสุขครับพระอาจขัดทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเอ้ยทําไมผมถึงไม่ปราโมทย์ภายนอกเลยก็เลยเมื่อนั่งคิดดูว่าเราขาดอะไรไปผมก็เล ย, เยทุกวันนี้เราทําดีก็เยอะนะพอจําได้ผมลืมแผ่เมตตาครับพระอาจารย์ผมก็เลยว่ามันมันเกี่ยวกันไหมแบบเลยเราต้องแผ่เมตตาทุกวันเกี่ยวหรอคนการทำความดีเป็นการแผ่เมตตาอยู่แล้วครับครับมันไม่ใช่มนานั่งสวดแผ่ นั่สวดแผ่ไม่ได้แผลเมราะยังไะการกระทํต่าคหากการกระทําความดีเราเป็นการแผ่เมตตาครับเช่นคุณไปเป็นจิตอาสาว่าเป็นการแผ่เมตตาครับพระอาจารย์ครับเพราะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบมันเห็นสุขภายมอกชัดเจนมากครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือว่าล่าสุดตอนที่ผมคุยกับพระอาจารย์ครับผมรู้สึกว่าผมผมมีผมยึดสุขครับไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมครับอาจารย์เหมือนผมยึดสุขจากพระอาจารย์ ถ้าเป็นสุขที่แท้จริงก็ไม่ผิดถ้าไปยึดสุขที่บอ่อม ก, ก็ก็ผิดถ้าไปยึดสุขจากน้าบลกูกสารเสริญจา ก, ล, ก, ก, กจลูกเสียงกิ่งบ้านเนี่ยผิดครับอาจารย์แต่ถ้าไปยึดจาสุขจากความสมังมนี้ไม่ผิดครับอาจารย์ครับมันแสดงว่าสภาวะที่ผมเป็นนี้ก็คือมันไม่ผิดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สุขที่ได้จากการทําความดี้ไม่ผิดครับจากการเป็น จ, จิตอาสาทําบุญนี้นี่ก็เป็นสุขที่ถูกต้อง แล้วล้ความแล้วความเบื่อหน่ายความไม่เพลิดเพลินนี้ผมก็ผมต้องแก้ไหมครับอาจารย์ไม่แก้ก็ทิ้งมันไปเลว่ามันไม่มันเบื่อหนานมันไม่ไม่เพลิดเพลินก็อย่าไปยุ่งมันครับอาจารย์ครับใช่ไหมครับอาจารย์มันเราได้ของใหม่ดีกว่าของเก่าของเก่ามันเราไม่เพลิดเพลินเราก็ทิ้งมันไปเลยได้ได้รถคันใหม่ที่ดีกว่ารคันเก่ามัยังยไปขับคันเก่าอยู่นะคันเก่าวิ่งแล้วเดี๋ยวก็ยางแตกเดี๋ยวก็เสียสตาร์ทไม่ติด รถหมายในทรวดพลาดวิ่งพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายครับผมก็เลยว่าเฮ้ยผมเป็นอะไรทําไมผมเห็นอะไรก็เป็นทุกข์แม้ต้องกินข้าวกินข้าวมันก็เป็นทุกข์ครับกินแล้วเดี๋ยวก็เป็นทุกข์ครับใครก็ต้องกินบางอยา่างกข์อย่างต้องใช้เหตุผลว่าทั้งนั้นมันจะทุกข์กันมันาะ่ายังดีกก็อดอดยิ่งทุกข์ใหญ่ครั บ, รบแล้วก็เวลาที่เราทําหน้าที่ทั้งโลกเช่นเราทําหน้าที่เป็นลูกครับเราก็ต้องไปเจอพ่อเจอแม่เราก็ต้องทําหน้าที่เข้าสังคมก็มีทุกข์อีกครับเ <laughs> จอ ใช่ครับเจอเยอะมากเลยเรครับไปอยู่คนเดียววันนี้ที่สุดครับตอนนี้ผมก็เลยอยากจะขออนุญาตขอการบ้านจากพระอาจารย์นะครับเห็นหลายท่านเขามีการบ้านมาสม่งผมก็เลยอยากจะขอกบับอาจารย์ครับอ๋อเราไม่ให้ให้การบ้านทำเป็นเด็กๆเราก็ให้ไปโอเคครับโอ<ล>้<ล>คนณก็ต้องหมาหาการบ้านทําของคนเองน่ามารายานครับครับพระอาจารย์ครับก็ก็จะปฏิบัติการบ้านคือให้คุณไปปวนได้ไหมล่ะครับครับนี่ก็ ได้ครับอาจารย์ครับแต่ตอนนี้คือผมคุยกับแครแล้วครับอาจารย์ว่าผมจะบวชเร็วๆเนี่ยเพราะว่าจะต้องบวชก่อนแต่งงานครับอาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่าจะเราจะวางใจยังไงบวชก็หวัเข่าบวบวบแต่ไม่เส็งงานไม่ใช่บวชแล้วเส็งถ้าบวล้วเส็งก็ยังไม่บวชเสียเวลาเบาๆใช่ครับคือผมอน่ยก็ ผมปฏิบัติตามสายพอาจารย์ครับผมก็เลยสุขเฮ้ยถ้าเราจะไปต่อเราจะไปต่อได้เราต้องบวชนะเราการบวชเนี่ยมันต้องบวชไม่สึกนะต้องบวชให้มันได้เลยจริงๆครับพระอาจารย์ได้แล้วไม่ใช่บวชแบบเป็นสามเดือนแล้วก็เสร็จบวชแก้บวชบวชเพราะว่าทดแทนบุญคุณบิดามารดาอะไรนี่มันก่อนจะไปแต่งงานนี่มไม่ใช่ครับพระอาจารย์ครับแล้วสมมติว่าเราพิจารณาว่าเรายังมีหน้าที่เราจะมีสัจจะที่เรา เราได้เรื่องไปแล้วใ น, ใ น, ใ, นในฐานะของคาราวานะครับเราสามารถที่จะเอาทำกับโลกมาเป็นชีวิตประจําวันได้ไหมครับสัญญาสัญญาไั่ยากถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนได้ไแก่สัจ ญ, ญาได้เพราะว่าตอนนี้มันมันถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินไปตามสัญญาได้ความตัดสินใจเปลี่ยนครับถ้าได้ครับพราจารครับ ทำไย่างนั้นเราก็จะไปไม่ได้ครับพอาจารย์ครับแล้วถ้าจะบวชนี้ผมก็มีมีใจอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูครับบวชที่วัดครับผมแต่นะต้องทาต้องไปศึกษาแต่ที่วัาที่ไหนดีเหมาะกับเราเนี่ยขอบขอบคุณพระอาจารย์มากครับโอเคสาธุคุณมาลีต่มารี วุธากาลเนี่ยวันนี้เนึ้อจากหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะเราอยู่วัดวุฒากาลค่ะหลวงพ่อเอ่อวันนี้ก็ไม่มีอะไรว่าค่ะแค่อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าสมมตเราจะวัดความก้าวหน้าถอยหลังจากการที่เราปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะดูจากว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วมัน ออจิตสงบจิตรวมทุกครั้งอย่างเงี้ยก็ถือว่าก้าวหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ติดใจไม่ทุ ก, กอะไรอย่างเงี้ยได้ไดใช่ไหมได้ได้ก็ไม่ไม่มีอะไรคะ่ะหลวงพ่อเพียงเพียงแต่ว่าแค่มาถามว่าโอเคถ้าเราปฏิบัติ ทุกครั้งแล้วเราจิตสงบจิตเรารวมทุกครั้งเนี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมคะก็ลองดูเวลาใม่ปฏิบัติ ด, ด้วยว่าเป็นยังไงจิตเราอ๋อหมายถึงว่าหลังจากที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องมาดูจิตใจของตัวเองอีกว่ามันตลอดดูทั้งวันทั้งคืนว่าเป็นยังไงบ้างวาเวลาเราสัมผัสรำยิ่งกับสิ่งต่างๆเรายังทุกเรายังวุ่นวายใจเรายังโลกยังรักยังชังยังโกลัวยังโหนอยู่กับอืมตัวนี้ด้วยมันจะมี มีการกระทําของคนที่เราต้องร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อที่เขาเขามีคำพูดหรือมีกริยาที่มันใส่ร้าถ้ายังหวนไว้อยู่ก็แสดงยังสอดตรงก็ต้อง เ, เฉยๆเราห้ามเขาไม่ได้ก็มองเขาเป็นเหมือนดินน้ำเราดินฟ้าอากาศไปค่ะหลวงพ่อเราก็ถ้าสมมติว่าเรา เราสอบผ่านก็คือเราก็ยอมรับไปแล้วเราเฉยกับทุกอย่างไปไม่เดือดร้อนใครคะจะด่าเร า, เราใครจะชมเราใค ร, ใ, ครเใครจะขี้เกียจใครจะขยันเรื่องของเขาไปได้ไหมค่ะมันเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปควบคุมเขาไม่ได้แต่ถ้า เ, าเป็นหน้าที่เราต้องบอกต้องคุยก็บอกไปคุยไปเหมือนจะได้ผลหรไม่แต่เรื่องค่ะ คือหนูไม่ไม่สนใจที่เขาแสดงหรือการกระทําของเขากลับมาคือหนูก็พยายามเหมือนทํางานให้จบที่เราต้องร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่หลวงพ่อใช้ไว้ก็ไดอย่าไปมีอารมณ์นะคะแล้วถ้าเราไม่ได้มีอารมณ์โกรธหรือโมโหแสดงว่าเราสอบผ่านถูกไหมคะหลวงพ่อถึงเขาจะทำทำปฏิกิริยาเราใช้ก็่านจักได้ว่ารู้ว่าเอว่าผ่าน เขาเขามีอาการอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่หนูหนูก็คือทําหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าเขาแสดงอะไรมาสุดท้ายสุดท้ายคืองานมันเสร็จแล้วเขาก็เหมือนเขาก็เหมือนอารมณ์เย็นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ อ, อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องของเขา<ะ>เองเขาควบคุมอารมณ์เขาไม่ได้เขาก็ร้อน<ะ>ถ้าเราไปไปไปลอดตามเขาก็แสดงว่าเราควบคุมมันของเราไม่ได้ค่ะ วันนี้หนูก็ไม่ต้องดูตลอดต้งวัดวัดวันอย่างนีตลอดทั้งวันทั้งตื่นตหลับเลยไม่ใชว่าวัดแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิคนเดียวค่ะอันนึงก็วัดด้วยวันทุกอย่างที่เราทําค่ำอ๋อหมายให้มันสงกตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อก็คือเราไม่ว่าจะเป็นแง่ดีหรือไม่ดีเราเรา็้อะดีช่วยเจริญด้วยเสื่อมอ่ะ ทำและเสือด้วยดินทาค่ะหนูจะน้อมเอาไปปฏิบ huh. okay. ัติทางหลวงพ่อวันวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่หยุดสาวันหนูจะไปที่เรียนหลวงพ่อเมื่อพุดที่แล้วค่ะเสี๋ยเสาร์นี้หนูจะไปที่เขาอะค่ะโอเคค่ะวันนี้มีเท่านี้ค่ะสาธุค่ะขอบคุณหลวงพ่อนะคะสาธุค่ะคุณชนะดาวต่อนะดาวพอส่งเมนึก็มาให้ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ พวกนี้เป็นตัวเขียวต้นน้ำทิ่งนะคะโอเคเป็นขอวานใช่ค่ะพรอาจารย์ครั้งรอบนี้เป็นผลไม้รวมค่ะโอเคค่ะมี อ, อมีเมนูไหนที่สมควรจะทําเพิ่มเติมไหมคะพรอาจารย์ได้ทั้งนั้นเหรเดี๋ยวยินดีตามยินตามเคยค่ะพรอาจารย์ค่ะก็ดีก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะพรอาจารย์ เล่าสุดไปไปถือศีลที่วัดมาสองสองคืนค่ะเอ๊หนึ่งสองคืนใช่ค่ะสองคืนที่เกาที่สำนักสงฆ์เกาะพาสุขจันทบุรีค่ะอ๋อไปไกลนิคะ<ป><อ>เดิมเคยไปที่นั่นอยู่ค่ะพระอาจารย์<อ>ก็ที่นั่นสัปปะยดีค่ะเป็น<อ>เป็นคล้ายๆเกาะ อ, อยู่กลางน้ําอะค่ะเงียบๆเงียบๆค่ะขอให้มันเป็นที่สงบแล้วก็เราปฏิบัติได้ก็โอเค ค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเออ่ถ้ามีโอกาสเจอคงต้องขึ้นเขาแน่ๆค่ะพาาระอาจารย์เรารอเราจังหวะนิดนึงอยากไปแบบไดหลายวันนะคะเออได้หน้าต้องจง อ, ง ต, อ ง, จงต้องหนค่ะ ข, ขอให้ได้จังหวะก่อนนะคะพระอาจารย์ อ, อ่ะรอบที่ <Yeah. S 2> แล้วพระอาจารย์บอกว่าเป็นเท่านี้ดีแล้วไม่ต้องเป็นอะไรมากกว่านี้แล้วโยมก็เลยคิดว่าก็เลยไม่ได้ เลยเลยคิดว่าจะหยุดการเรียนต่อเรื่องในเรื่องของการต่อยอดของงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทังโลกมันได้ทั้งแรงมันก็เหมือนเดิมดีใจเดียวๆได้เงินเพิ่มมันก็แค่นั้นแหละความทุกก็เท่าเดิมช่วยมาเอาทางธรรมดนทางธรรมนี่มาความทุกช์ะได้น้อยลงไปในเนื้อค่ะพระอาจารย์เอลูกก็อมไม่ค่อย อในเวลาที่เราคิดว่าเราอ่ะไม่ละความโกรธได้ใช่ไหมคะผ้าจานเหมือนก็จะมีเรื่องเราแบบให้ให้มากระทบแบบหนักขึ้นหนักขึ้ น, ห น, นหนักขึ้นเรื่อยๆให้เราเอ่อเหมือนได้เหมือนได้รู้อะค่ะว่าจริงๆแล้วเราอ่ะหยุดโกรธได้แล้วหรือ ย, ยังอะไรเงี้ยค่ะผ้าจานใช่แล้วอย่าไปเชื่อความคิดนอน ด, ดูความจริงนี่มาดูความจริงนี่มาเวลาอยู่ในเหตุการณ์ เราคอยทดสอบด้วยเยอะเลยเาคอยเตือนด้วยเยอเลยว่าเรายังไม่ได้เจอข้อสอบก็ได้ค<า>่ะอืมค่ะต้องพิจารณาถ้ายังไม่ได้เป็นพาร์ทอาหารก็ยังต้องมีความกลัวอย่งี้ไม่ต้องกลัแล้วช้าเลยเลยเดี๋ยวมันองโผล่ไปเอ <c oughs> ่ลูกว่ามันมาแบบเป็นชุดใหญ่มากเลยอ่ะเจะประมาณจะประมาณนี้น<า>กิเลยค่ะก็ก็คอยพิจารณา เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็ล่าสุดในช่วงขณะนี้ก็จะฝึกสวดมนต์ในใจยาวๆค่ะอย่างเช่นตั้งตั้งไว้ร้อยแปดจบอะไรเงี้ยค่ะได้ปนรไปค่ะฝึกสวดในใจอะค่ะแต่ว่าเนสัญชิกยังล้มเหลวอยู่นะคะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงจิตก็เราก็ใช้วิธีก็องดอาหารแทนก็ได้อดอาหารนะคะค่ะ ค่ะค่ะพระอาจารย์เมตาสอนลูกต่อนะคะนี่เรพึ่งสอนมาเนี่มีอะไรเพิ่มเติมบอกได้เรื่อยๆอยไดจให้สอนต่อแล้วเข้ามาเรื่อยๆทำเองเข้ามาจะไปสอนได้ยังไงค่ะครั่ะทําไม่ติดไปจะจะให้สอนคลิปเหรอนั่งนั่งสอนอยู่คนเดียวมาดูวันสิทธิ์รับฟังอยู่บนปากนี่ไง เมื่อกี้เมื่อกี้นะคะพระอาจารย์ได้ยินมีคนขอพรอ น, นึกนึกนึกเข่ามเขาขอเพราเขาตการที่พึ่งกายเข้าไปก็าขอนมไงนมเข้าไปเขาจะได้ยืนนมด้วยกันการถือกันถวงได้ลูกก็ล ก, กรลับไปด้วยค่ะพระอาจารย์ได้ไม่ ไ, ไม่ห้ามการอยากจะรับก็รับไปค่ะค่ะ ออนบน้องข่อพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอย่างสุดปฏิบัติปรตจอนเรื่ยๆนะอย่าหยุดก็แล้วกันสถูกค่ะคุณชายานิดเดนชายานิดกล่าวนรักนการพระอาจารย์เจ้าค่ะกว่าธรมอใช่ไหมกว่าธมอใช่ค่ะในกรุงเทพศรีพาจารย์พ อ, อดีอ่ที่ ไปเที่ยวมานะพระอาจาร์คือหนมีความรู้สึกว่าเหมือนเรามีความสุขชั่วข่าวพระอาจารย์ท่านั้นน่ะก็เหมือนไฟไหม้ฟังหรือมันก็ดับเลยพอกลับมาเนี่ยมันก็หายไปหมดแล้วครับสำนั้นก็อยากจะไปเติมใหม่เลยเนี่ต้องไปเที่ยวใหม่แล้วที่หน้าเราหาที่เที่ยวเองใช่เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มันมันก็ไม่ได้ถาวร น, นะน่อยอยาก<ต>น่อยอยากถาวรนะจ้าค่ะถ้าเกิดแตไปอยากแลไม่ได้ไปนี่ก็มันก็จะทุกข ใช่ค่ะก็นึกถึงนึกถึงตอนอนาปนาสติเจ้าค่ะคือมันสุขแบบนั้นอ่ะหาได้ยากมากเลยนะเจ้าค่ะมันก็ง่ายปะสุขแบบที่ต้องาใช้เงินใช้ทองแท้เลยใช่เจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกมันมีความสุขมากกว่าด้วยด้วยตัวเราเองใช่เจ้ า, าค่ะภาพสุกแบบนี้มันยากแต่ละมันก็มันก็มนกมนกไม่สึกวิสัย ถ้าเราไปได้แนละ้วมันก็ไม่ยากถ้าเรากลับมาทำใหใหม่เนี่ยมันก็ได้จาค่ ะ, ะพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนที่วันไหนจะถือศีลหกทุกวันจันนะจะค่ะที่อดอาหารนะจะค่ะแล้วเจริญสติทั้งวันก็คือว่าพยายามทำอะไรก็พุทโธพุทโธคือแบบไม่ไม่คิดนอกอะไรอย่างนี้เลยจค่ะการอดอาหารช่วยให้ ไม่ง่วงจริงเจ้าค่ะแต่ว่า่าพอไปนอนมันก็ตื่นตื่นสักนานมากเลยเจ้าค่ะจนกว่าแบบคือไม่ไหวจริงๆเขาเขาก็หลับไปเองนะเจ้าค่ะใช่ถ้ามันไม่หลับก็นั่งสมาธิต่อไม่ได้มันคือมันเมื่อนอนสมาธิไปก็ได้ใช่เจ้าค่ะอยา่อย า, ยาไปอยากหลับก็นอนแล้วก็ดูลมไปเจ้าค่ะ ก็ดูลงไปหลับ ก, ก็หลับไม่หลับก็ไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเราได้กำไรทำทำําถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้หลับก็ได้สมาธิถ้าหลับก็ไม่ได้สมาธิไปก็แปลกใจมากเลยน ะ, ะคะที่พระอาจารย์บอกว่าคือก็เลยมันมันดูแต่แบบว่ามันจะมีช่วงทรมานอยู่ก็คือช่วงที่หิวมากๆอะค่ะช่วงช่วงช่วงบ่ายที่ทํามาเพราะอยากถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทารมาเราก็เลยถามใจตัวเองดูว่า คืออดมาได้ครึ่งวันแล้วหกชั่วโมงละหกโมงอ่ะแล้วเนี่ยไม่ทําต่อมันจะเสียเปล่านะเอคิดอย่างนี้นะฟาซา์ก็เลยอ่ะตัดสินใจเทเป๊ปซี่กินต้องการน้ำตาลในเลือดก็ไม่เป็นไรเป๊ปซี่ก็ถือว่าไม่ถือว่าเป็นอะไม่กินได้อยังกินได้ก็คิดถึงว่ามันเป็นน้ําแล้วก็ไม่ได้เเคียวก็คิดว่าน่าจะพอได้เพราะว่าหน่อยก็คือแบบ ต้องการน้ำร่างกายต้องการน้ำงานจะเป็นงานจะเป็นกิเลสก็ได้ต้องการรสชาติต้องการความหวานรสชาติของเครื่องดื่มถ้าถร่างกายต้องการน้ำเมื่อเดน้ำเปล่าเปล่าไปแทนก็้ด้โอเป็นอย่างนี้หรอเจ้าคะ่ะถ้าอยื่น้ำเปล่าก็ไม่เป็นกิเลสถ้าดื่มเป็นซีดดื่มกาแฟนื่มน้ำชาเนี่ยเป็นกิเลสไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะนี้อ้ยงันหน่อยหมดไปออ้ยทำมา ไม่เป็นไรก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรืยนรู้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็เป็นน้ําเปล่าอย่างเดียวหรือน้ํามะเสือเทศน้ําพไม้อย่างนี้ได้ใช่ไหมจ่ะมันก็เป็นกิเลสแต่ก็เขาวาอนุญาตให้ดื่มได้ทําไมก็เป็นกิเลสแต่น้ํำมะเขือเทศมันโอูหรสชาติมันอมันไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะต้อดื่มไปทําไมเอ๊ะดื่มไม่ทําไมอ่าไม่ได้ก็ดื่มน้ำเปล่าไป นั่นแหะสิไม่เข้าใจเหมือนกันจ้ ะ, ม, ะมันอยากจะได้ความอิม่มมันก็เป็นกิเลสอย่างเลยเมื่อเราอดแล้วจะไ ป, <อ>ปะกลัวความหิวใช่ไหมก็ยอมหิวไปนะให้งก็จบอย่าไปอยากให้มันอิ่มให้อยากให้มันอิ่มไม่อยาไปอดจ้ะจ้ะค่ะโอ๊ยสอบตกอีกแล้วจ้ะค่ะสอบตกวว่ากินเบปซี่เลยแก้วเดียว ไม่เวลาไาวหน้าก็แก้ได้ทราวหน้าก็ยังไปเดิมมันแต่ยิวน่ากันเดินน้ำเปล่าไปส้าค่ะที่มันเอามาก็อย่าให้มันคิดอย่าให้มันคิดถึงอาหารพุทโธพุทโธหรือสวดอุทิศิโสหร้ออะไรไปหยุดความคิดให้ได้จ้าค่ะก็นี่แหะค่ะที่ถามพระอาจารย์เราเรื่องที่เรื่องไปเที่ยวก็มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ อยากมีความสุขด้วยตัวเองนอกจากอ่๋อในจะถามพระอาจารย์เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องปัญญาพอดีจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราเอาปัญญามาใช้ในทางโลกแก้ปัญหาในทางงานงานที่เราทําอย่างเงี้ยปัญญาตรงนี้จะหมดไปไหมเจ้าค่ะไม่หมดหรอกปัญญาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอืมก็คือแบบสมมุติว่าเราเจอปัญหาในการทํางาน ก็ที่จริงไหนก็อวยพรลูกอวยพรคนที่บ้านว่าขอให้มีปัญญาในการชานฉลาดในการแก้ปัญหาอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยฉุดคิดว่าถ้าเราใช้ตรงนี้ไปแล้วสมมติว่าถ้าเราจําเป็นจริงๆมันจะหมดไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เอาไม่หมดยิงใช้ยิ่งใช้ยิ่งมีมากเ ป, เป็นเหมือนมีดยิงยิงย่งรับไปก็ยิ่งคงเนี่อ๋อเจ้ค่ะปัญญายิงใช้ยิ่ง ยิงฉลาดแล้วคมมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไม่ใช้มันเลยมันยิงกระเทือมันมีนี่นี่ม่ไดเจ้าค่ะก็คอยต้องแล้วถ้าอย่างนี้ก็คือต้องคอยสอนใจตลอดใช่ไหมเจ้าค่ะว่าโลกนี้ ไ, ไม่เที่ยงไม่เทียเท่ยงไม่ทีง่งเป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากแล้วมันจะเป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์เจ้าค่ ะ, ะได้เจ้าค่ะไหนมีคําถามแค่นี้ค่ะพระอาจารย์โอเคนะถามต่อไป <laughs> สอบตกอีกแล้วไม่เป็นไรเข้าหน้ามารายงานใหม่จบค่ะอทิตหน้าอีกทีค่ะโอเคอเ ค, คุณนิ้งพทัทยาคุณนิงค่ะศาสตระจารเจ้าห่างได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะชัดเจนค่พะพาสตราจารย์อ๋อก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆนะคะพาสตราจารย์ อก็ไม่มีคําถามอะไรอ่ะค่ะก็ยังยังมีฟุ้งยังมีอารมณ์บ้างอะค่ะพระอาจารย์แต่ก็กน้อยลงก็พยายามที่จะฝึกพุดโธนในทุกขณะจิตตอนที่ยังไม่ได้ทํางานอยู่อะค่ะพระอาจารย์เออเน่พยายามควบคุมจิตอย่าปล่อยให้คิดเรื่องไปค่ะค่ะเพราะว่าไปคิดกับเรื่องงานเรื่องนูน้นเรื่องนี้นะค่อนข้างที่จะเยอะอะค่ะพระอาจารย์ถ้ามันจําเป็นก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องชิดไป มันไม่ได้ช่วยไม่ได้ถ้าไม่อยากจะคิดก็ต้องหยุดทํางานเลยมันยังหยุดทํางานไม่ได้ไม่ได้เราต้องคิดต้องทำแต่ให้มันอยูให้มันอยู่ในกรอบของงานอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเพ้อฝันอ็จะทำได้หมดครับอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะจะพยายามฝึกต่อไปค่ะบพระอาจารย์เพราะว่า เอารู้แล้วว่าตัวเองยังไอ้นี่อยู่ก็จะค่อยๆฝึกไปครับพระอาจารย์ค่ะตอนนี้ใช้มือถือยังใช้เครื่องมือถือไหมค่ะใช่ค่ะเขียงไมโครโฟนนี่เสียงดีนะชัดนะอ๋อเอาเอาไอโฟนครับไอโฟนโ n ้เสียงมันดีนะค่ะพอาจารย์ชัเดีโอเคค่ะค่ะกับพระอาจารย์ค่ะสมัยนี้โทรศัพท์ทุกยี่ห้อมันเสียงไมโครโฟนมันดีทุกันี้เข้ามาในเสียงชัดเนีย เราโยมก็ไม่ต้องไม่ต้องแตะเบนเสียงให้พูดแบบสบายๆบายนะค่ะประจันก็ไปฟังพระอาจารย์กับทุกอาทิตย์นะคะพระอาจารย์โอเคได้จอกันอีกนะการับพระอาจารย์สาธุค่ะคุณสุภาตราจากเดลัสกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะ เขาร้งฟังเจ้าค่ะโอเคสาธุสาธุอาจารย์โท <นะ S 1> มพินยัยก็ทำบอวันนี้เขามันเด็กหน่อยอาจารย์กลับมามาส ก, การค่ะเข้ามันมาส ก, การค่ะเพราะวันนี้มีโอกาสได้ไปฟังเออด็อกเตอร์วิรไทสันติภพซึ่งก็พูดถึงเรื่องปฏิบตัติเรื่องทำก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนทําประโยชน์ให้สังคมเยอะ เป็นโครงการที่มูลนิธิร่วมกันจัดนะคะก็ดีลับมากั็ดูได้ฟังจากคนพูด่วมพูดในความคิดดีหนึ่ก็สอนตัวเราได้ค่ะเขาก็ทําดีให้ให้กับสังคมประเทศเยอะนะคะในทางทำด้วยนะคะในทางช่วยเหลือสังคมด้วยใช่ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งการรับใช้สังคมช่วยเหลือสังคมเป็นบุญอย่างนึ่งในบุญสิบประการ ใช่คัะพูดถึงเรื่องแฮปปี้เนสเหมือนกันค่ะความสุขที่ได้จากจากจิตจากใจใช่ทำโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังเพียงแต่ให้คนเขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการทำของเราแล้วก็มีความสุขค่ะวันนี้คุณอนุกุณก็ถ่ายไปถ่ายไปใช่เป็นรับเานเวลาเฝากับกความคิดเห็้ด้วยนะค่ะค่ะ กลับครับอาจารย์ค่ะกลับด้วยคุณแปลว่าอะไรอยากเสีราชชากลับนักชการเจ้าค่ะวันเนี้ยค่ะมันมีบททดสอบเข้ามาค่ะพระอาจารย์ช่วงที่ทํางานอยู่ก็เป็นการเถียงกันกับกับคู่คู่ทะเลาะที่เคยทํางานกันมาแต่ว่าก็ทั้ทีนี้มันเป็นเรื่องของการทํางานทั้งทีมในพันธุ์เลยอดค่ะพอเอิญเปิดสปีกโฟนน้องๆในออฟฟิศก็เลยได้ยินเสียงแบบ ความโกรธของเขาชัดเจนพอแต่ว่าหนูว่าใช้หลักพระอาจารย์ที่สอนมันบ่อยก็คือหลักสามยอคือเวลาคุยหนูก็จะคลองสติให้ให้มั่นเพื่อที่จะไม่ต่อล้อต่อเถยงแล้วก็พยายามจบประเด็นในการคุยให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหาที่สุดพอจบการสนทนาเรียบร้อยแล้วอะค่ะน้องๆบอกว่าถามว่าหนูว่าทำได้ยังไงหนูบอกว่าก็ใช้หลักสามยอ แต่ว่าถามแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะถามว่าหนูผ่านไหมหนูไม่ผ่านเพราะว่าการแสดงออกของหนูมันเงียบก็จริงแต่ว่าข้างใ น, นก็มีสันนิดๆนะคะแต่ถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธแต่มันเป็นเรื่องของความของความตื่นเ ต, ต้นวิตกกังวลน่ะคะ่ะก็ดีแสดงว่าเราก็ก้าวไปไกลแล้วต่อไปอาจจะเฉยได้เลยคุยกันแบบคุยกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ที่พระอาจารย์เคย เคยสอนทำสั้นๆช่วงที่ไปใส่บาดข้างสาลาที่พระอาจารย์บอกว่ า, าทําตัวให้ต่ําๆสูงตกมาแล้วมันจะเจ็บแรงทําต่ํามากๆแล้วมันจะสบายอันนี้เนี่ยหนูเอาไปแปกประเด็ น, นหลายๆประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการปฏิบัติธรรมหรือการเข้ากับสังคมทุกๆอย่างอะคะหนูก็จะพยายามใช้ตัวเนี้ให้มากที่สุดเช่นเจอพนัก ง, งานก็ทันที่เขาจะทักเราเราก็ทัก สวัสดีเขาก่อนแล้วก็ในเรื่องของนอนนอนทอมตนค่ะพยายามที่จะลดตัวตนค่ะอย่าไปถือว่าเ้าต่างกเราถึงแม้เขาจะมีอาชีพท่าแล้วก็เป็นเรื่เป็นเรื่องของอาชีพได้ก็จริงมันไม่มีตัวตนในกันทั้งพู่ควลาไม่มตัวตนเราจะสบายครับไม่มีตัวตนเพรามันสบายกับการมีตัวตนมีตัวตนแล้วมันต้องยืดต้งเตดต้องถือตัวค่ะ ห น, หนูจะน้อมนาคําสอนเนี้ยไปฝึกปฏิบัติเรื่อยๆค่ะส่วนการเข้าสมาธิตอนเนี้ยเข้าได้ง่ายมากค่ะแล้วก็แล้วก็นิ่งซึ่งหนูก็คิดว่าไอ้ความที่เราเคยขี้เกียจอะค่ะแล้วแล้วเร า, เร า, เราพยายามบังคับตัวเองมันทําให้ให้พอเราเข้าสมาธิง่ายแล้วเราก็อยากเข้าสมาธิบ่อยเจ้าค่ะตั้งแต่ที่เริ่มต้นแต่เสกสาวจนถึงบัดนี้เราเสกมีการพัฒนามากไหมมากเลยเจ้าค่ะค่ะไม่ไม่มีความโกรธค่ะ ไม่ไม่ไม่แสดงความโกรธให้ให้ใครเห็นค่ะถ้าถ้าจะแสดงออกมาน่าจะเป็นแค่สามีคนเดียวค่ะแต่ว่าเหมือนกับแค่แกล้งเขาอะค่ะแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้โกรธแต่บางทีเราเราหนูอยากแค่ปิดบังความรู้สึกว่าเราอาจจะแกล้งโกรธเพื่อให้ไม่เขาไม่มายุ่งกับเราเนี่ยอ่านี่ยเป็นกิเยสเราเป็นกิเยค่ะขอบพระคุณธรรมของพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระเจ้า ของพระพุทเจ้าทา้งนั้นไม่มีของไครที่นาเคุณนี่ของพระพุเจ้าทั้งหมดค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคสามคุณหมอสุธาเสนประทมทานนี้แต่ว่าแพทย์นามสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มี ข, ง ข, งขังค่ะไม่มีอะไรนะมีค่ะปฏิบัติเหมือนเดิมอยู่ปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะก้าหน้าแลก้าหลัง <c oughs> <c oughs> คิดว่าก้าวหน้านะ<ต>จูคาใจเย็นขึ้นใจเ ย, ย็นขึ้นกี่เลน น, โนโอ้อยลความสุขเพิ่มขึ้นเจูคาโอเคดีทำต่อไปนะเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคบอลลิสบอลลิสขาขานะหลงพ่อก็ก็วันนี้ไปทอดกรสินมาครับทั้งท้งที่แบบไปอ่านคําสอนของหลวงพ่อว่าอย่าหลีกหนีความวุ่นวายทีนี้ผมก็เลยเอาไป ดูใจตัวเองในระหว่างไปถ่อยกระถิือว่าใจเราวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายแต่ว่าผมมันจะไม่เสียงวุ่นวายเพะผมไปจดจ่อมันเหมือนต่อให้มีคนรอบข้างเป็นร้อยหลายร้อยคนแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวอยู่ดีเพราะว่าเราจดจ่อกับสิ่งที่เราทําโดยเราไม่ไปยุ่งกับคนอื่นมองมม้มีสตินะมีสติถ้ามีสติรัาใจมันก็จะไม่ค่อยจะจะโกรธจะโลภถ้าไม่มีสติปล่อยให้ไหไปกับเหตุการณ์แล้วมันก็เกิดความโกรธความโลภขึ้นมา ครับก็เป็นอะไลูกศิษย์ของหลวงปู่ศีมหาวิโรก็ใส่หลวงปู่มั่นเลยครับหลวงพ่อก็ไม่มีพิธีอะไรแบบชาวบ้านก็แบบเรียบง่ายตามภระป่าเลยครับที่ไหนที่กรุงเทพนะที่โคราชครับอ๋อโคราชกไปเช้ายันกลับอะไเนี้ยไนโคราชใช่ครับเสร็พิธีก็กลับเลยบินไปอะไเนี้ยเออออกออกจากออกจากบ้านตีห้าครับอ๋อแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพก็สี่โมงครับไปกับครอบครัวแล้วไป โอ้ไปกบไวแบบตั้งจิตไปแล้วใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แบบอยู่ๆเขาหลวงปู่แบบแบบจับพระจับภูได้ไปแบบนั้นแบบจะเรียกว่าบุญจัดสัรไหมาจะเรียกอย่างนั้นได้ครับคุณพ่อกับแม่ไม่ได้ไปด้วยนะวันนี้วันธรรมดาเขาทำงานสุดคุณแม่ติดโควิดไปกักตัวไปอล้อ <laughs> ก็ <Okay. S 2> เห็นคำสอนของครูบาอาจารย์แบบมั น, ม, นมันรู้สึกอิ่มเพราะสายหลวงสายหลวงปูม่านนี่อิ่มจริง ใช่ทำมากมั น, มนไม่มีได้เหมือนบานพระดูจะสอบถามหัวข้อธรรมที่บอกว่าความสามาัคคีนําความเจริญอะไรมาให้อันนั้นคือยังไงครับหลวงพ่อเวลาเราจะทําทอะไรมันต้องทําคนเดียวได้ยังไงมันต้องทำนอกกันใช่ไับถ้าเกิดแตกแยกคนไปไม่มีใครมาล่วงมันทํามันจะไปเจริญได้ยังไงก็แต่ถ้ายกเว้นการปฏิบัติคือการปฏิบัติต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างอื่นคืออยู่ต่ ถ้าเป็ น, นขเขาละเนื่องกั น, น, นทางนอกกับทางธรรมมันควรอาญากันแบบที่ผมพยายามทําอยู่นี่มันเป็นปุปเพกับตากุญญตาด้วยใช่ไหมครับคุณพ่อคือบุญเก่ามันมันสนับสนุนให้เราทบุญสองเลยถ้าเราไม่เคยไปทอดกระถิน่นไม่เคยทําบุญบุญมันก็ไม่อยากจะไปครับ<ะ>แต่ถ้าเคยทําแล้วมันก็อยากมันก็เคยทำแล้วมันติดเป็นนิสัยมา ก็นี่นี่ถือว่าเป็นแบบทำครั้งแรกของพระป่าเหมือนกันครับเพราะว่าตรงไปทางอีาสานก็ก็เหมือนกาบุญมันมีหลายรูปแบบมันก็เป็นการทำบุญอย่างนึงครับเม<ๆ>ื่อก่อนเนี้ยจะไม่ได้ทำพระป่าทำกระทินม า, าก็ได้ความไป่เคทำบุญอย่างหนึ่งมามันก็ล่อยๆครับเป็นกันครับก็รู้สึกอิ่มใจครับวมันความอิ่มใจนี้มันก็จะติดตัวไป ไม่หายใช่ไหมครับหลงวงพ่อถ้าเราเรื่องบุญอย่างนี้ใช่ัหมมันก็ค่อยๆจางไปแต่มันกั็ต้องส่งผลที่ก่อนผมก็มันได้เก็บไว้นในใจจนกว่าน้ำกายเราตายไปแล้วเราไปนับผลอยู่ทคนนั้นอ๋อครับแต่ก็ทําให้มีกำลังใจในการภาวนามากขึ้นเพราะจะได้พบคุณอ า, าจารย์ดีโอเคนะมีอะไรไหมก็เดี๋ยววันอาทิตย์ไปไปหลวงกาลหลว ง, ง, ง, ง, งพนังหลวงพ่อครับแค่นี้ครับโอเคสาธุขอบพระคุณมากครับ เปนยินดีแซวเขาอไรนะเมื่อไปอยู่เซัสแนซัสบ้างยังค่ะท่าอาจารย์เดี๋ยววันที่ยีิบสี่เนี่ยค่ะมุกย <24 S 2> ี่สิบสี่ไป okay. <24 S 1> แต่แฟนแฟนไปแล้วเนี่ยมันทานยาไปก่อนหยังค่ะเขาเอเดี๋ยวเขากลับมาที่นี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเออเสาร์ที่เนี้ยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เสร็จแล้วก็เออ่มาดูพวกเข้ามาแพ็คของแล้วก็ยี่บหกขึ้นเครื่องค่ะท่านอาจารย์ แล้เขาเดินทางมาเขามีรถยนต์ว่าเขาต้องเดินทางบบเขาเขาเอ่อพวกของทุกอย่างเขามาแพคให้ค่ะแล้วก็รถรถเขาก็เอ่อเอ่อรถเขาก็ใส่ไอ้ไอ้อะไรนะคะรถที่มันเอารถขึ้นไม่ได้ค่ะลูกก็เรียกไม่ถูกไม่ใช่ตัวให้ี่ขับรถหรือามันไม่ได้ขันะ ไ, ได้ขับค่ะเขาพะมูไปให้เลยค่ะแล้วก็ลูกสองคนขึ้นเครื่องตามค่ะแล้วเวลาเขาไปไหนมา ไ, ไหนทาใช้รถแท็กซี่บริษทัทเขาให้รถเช่าเอ่อให้รถเช่าอาคารหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะช่วงระหว่างที่เรารอาทุกอย่างอะคะ่ะพร้อมอะคะ่ะอาจารย์คืออาพาร์ตเมนต์อะไรพร้อมทุกอย่างแล้วเขาก็เลยคือเขาให้เวลาหนึ่งเดือนนะคะในการหาอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วต่อไปเวลาไปทํางานเขาต้องมีรถของบริษัทมาให้ใช่ไหม ค่ะก็คือบริษัทเขาเช่ารถให้หนึ่งเดือนนะคะท่านอาจารย์หลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นจะมารถที่ไหนหลังจากนั้นก็คือก็คือทุกวันนี้คือทุกวันนี้หนูก็ซื้อรถใช้เองที่ใช้มาทุกวันเนี้ค่ะที่อยู่ซอท์แคโรไลนาค่ะสามปีก็ใช้เองซื้อรถใช้เองแล้วรถคันนี้หนูก็เอาไปใช้ต่อที่แคนซัสอะคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะเขก็เราแฟนเขาจะไปทำงานอออไรนี่ถคันนี้ค่ะก็ใช้รถค คั น, นคันคที่เราซื้อค่ะคันเดียวกันเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ใช้ต่อค่ะค่ะก็ไม่มีคําถามนะคะท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงแล้วก็ฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็ซ่องเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ออขอบคุณนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์สาธุบันดาลค่ะเชิญนักครนกละครศรีธรรมราช ่ากดปุ่มไมโครโฟนนะไม่พูม่ได้ครับครับนรัสกัลครับเราจะปรึกษาท่านนี่ครับช่วงนี้ผม <c oughs> นั่งสมาธิแล้วรู้สึกจะมีอาการฟุ้งซ่านอยู่บ้างอ่นะครับ <c oughs> ครันนี้จะปรึกษาท่านว่าในเวลาวันปกติเนี่ยควรจะอ่านข่าวเออ่ มันมีผลต่อทำให้เราฟุ้งซ่านไหมครับคนจะมียิ่งงานมียิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันใจเราต้องคิดถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆแล้วมันยังตกทางอยู่ในใจเราเวลาจะทจําใจสงบมันก็ยากเพราะมันยังไปคิดถึงเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังมะได้อ่นานนะแล้วคนจะอ่านอไหมครับจนบางเรื่องมันก็มัน ก, นก็ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรเราต้องการสมาธิเราต้องการข่าว ถ้าต้องการข่าวเราก็ต้องหยู่ถ้าเราต้องการสมาธิเราก็ต้องหยุดดูให้มันน้อยลงแค่หัวข่าวก็พอห้านาทีก็พออะไรเงี้ย okay, ไม่ต้อง น, น <okay. S 1> ั่งจอถึงชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราควรจะทําจิตให้เป็นกลางเนี่ยไหมครับไม่เข้าแบบ น, นบบั่งหัก็คการนั่าสมาคือการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการไปทําจิตให้เป็นกลางอย่างแท้จริงเป็นการบังคับซึ่งบังคับก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เออแล้วข้อที่สองครับเอ่อการดูกีฬานี่มันมีส่วนที่ทำว่าทำให้เราฟุ้งซ่านนะครับมีเหมือนกันก็กีฬาข่าวอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นลูกเสียง ก, กิตนอนเมื่อเราไปดูมันแล้วจิตเราก็ปรุงแต่งไปกํามันโอเคข้อข้อสุดท้ายครับผมสงสัยนะครับพอดีผมตอนนี้พยายามใช้สมาธิรักษาลโรคอยู่านะครับคราวนี้คําว่าใช้จิตเพ่งกับใช้ตาเพ่งเนี่ยจิตเพ่งในผมเข้าใจสมมติเราปวดท้องเนี่ยก็ใช้จิตเพ่งไปที่กระเพาะ แต่ใช้ตาเพ่งเนี่ยเราใช้ตาในเลหรไงครับไม่ทราบข้าใจอันนี้เราก็ไม่เคยใช้เราไม่รู้หรอกเราเราไม่เคยใช้สมาธิเพื่อรักษาโรคใช้สมาธิเพื่อรักษาใจไม่ให้ไปทุกกับโรคได้แต่ไม่เคยใช้ว่าเวลาปวดเท้าแล้วเราไปใช้สมาธิเพ่งดูไม่เคยทำอย่างนั้นครับแล้วข้อสุดท้ายครับเออเฮมีผมเคยอ่านบทความ ขอพรพ ป, ป่าที่บอกว่าอยาส่งจิตออกนอกนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายครับก็น่ารอย่าไปดูอย่าไปดูข่าวอยู่กัดูกีฬา <c oughs> สรงออกนอกนะคือเราต้องสนใจแต่ตัวเราเองใช่ไหมคะมว่าให้มีสติ ด, ดูพอการเคลื่อนไหวของร่างกายรื่อใช้พุโทโธพุโทโธดึงใจเอาไว้อย่าให้ไปดูในสติบรรฐทานสี่นะครับอ่านครับโอเคครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับอาารอยู่ที่กรทมใช่ไหมครับครับอยู่พรประแดงครับ อ่าพระอาจารครับครับครับธรมทักษการครับขอบคุณมากครับคนคนอะไรเกิดคนเกิดบันเิตต่อเชิญธรรมทกษารับพระอาจารย์อ่ามีแล้วนะก็จะมีที่วันอาทิตย์ที่ถามพระอาจารย์ไปครับที่ว่าเรื่องเจอแบบพระที่ไปทากระถินครับก็กับที่เขากล่าว ก, กับ แม้ชีด้วยเสียงก้าเงี้ยครับผมก็เลยแค่ลองถามดู่ารู้สึกว่ามันจะผิดกับหลักพาวินัยครับก็ไม่แน่หรอกไม่มีใช่ไหมบาทีการพูดถ้ามันเป็นการสับสอนใปการห้ามเปล่านี้น้งทีก็อาจจะต้องใช้เสียงที่หนักแน่นหน่อยอาจจะได้กลัวถ้าพูดแบบดีๆนุมน่มๆก็อาจจะไม่กลัวะอะไร ดังนันเราไม่รู้ว่า ใ, ใจของท่านเป็นอย่างไร ใ, ใจของท่านอาจจะไม่มีความก้าวแล้วนึก ม, มีความใดแต่ถ้าใช้เป็นกิริยาเพื่อปราบคนนี้ก็มันก็เป็นสิทธิของท่านดี<ม>ที่ไปคือวัดก็ชื่อวัดป่าครับแต่ว่าแต่ไม่เหมือนวัดป่าที่เคยไปมาครับาอาจารย์ก็เราอย่าไปวัดเ่างๆวัดต่างๆวัดแต่ละวัดเขาก็มี เป็นตัวตนของเขาเขาเป็นอย่างนี้เราก็รู้แวะว่า เ, าเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับวัดที่เราไปรู้จักถ้าเราไม่ชอบเราก็อยากไปกนีอาจารย์ก็ได้จะบอ ก, กทางทางทางภรรยาว่าเออเนนี้ไม่เหมือนวัดป่าที่เราไปมาเนี่ก็<อ>ให้รู้ว่ามันมีก็แล้วกันแต่ว่าอย่าแบบเหมือนที่ท่านจะเน้นบุญเยอะครับุญเท่าที่วัดไหนก็ได้เหมือนกันทําทาบุญได้ท<า>ุกแห่งทําว่าใครก็ได้เหมือนกัน ดีว่าพอได้ฟังพระอาจารย์มันก็เลยแบบเหมือนเรามีปัญญาระดับหนึ่งครับที่เวลาเขาบอกเหมือนลูกศิษย์เขาในวัดนะครับประกาศว่ากินอันนี้นะแม่ทีไปทานพอแล้วกินแล้วจะรวยหมื่นล้านจะสำเร็จ อ, อัรหัส น, นะครับแต่ในใจก็ไม่มีทางอานอกจ า, ากนั้นในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับแต่คนก็จะหุยเลุ่ยเลก็เลยว่าอ๋อก็ก็ก็เลี่ยดเนาะแต่ คนไม่มศึกษาธรรมนะก็อย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกต้องปฏิบัติเองต่อให้เกาะชายพรเหลียงพุทธเจ้าเข้าไปไม่ผ่านไม่ได้ครับใช่ครับก็เหมือนพระอาจารย์บอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้จาก็ไม่สามารถทําอะไรเกินก ร, รมได้อยู่ดี<ช>คอแล้วก็เหมือนได้ใช้สิ่งที่พระอาจารย์สอนครับเหนั้นพาผู้ใหญ่ก็ถามว่าที่นี่โอเคมันดีไหมแต่แต่เรารู้ว่าถ้าเกิดพูดความจริงออกไปเดี๋ยวจะเกิด ปัญหาก็เลยอ๋อครับก็ดีครับได้ทําบุญครับก็ตอบแค่นั้นไปครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาครับอาจารย์ก็ได้ก็เลยเลี่ยงไปก็ต้องไปตำเรตติดเตียนใครมองพูดในส่วนที่ดีก็ได้บางอย่างมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันไปครับเพราะเหมือนที่พระอาจารย์สอนตลอดครับถ้าเกิดดูความเจริญก็จะดูว่าทุกน้อยลงไหมอยู่กับทุกได้มากขึ้นไหม แล้วก็กิเลสมันเบาบางลงมาอะไรเงี้ยครับผมก็จะดูประมาณที่ว่าอาจารย์สอนครับโอเคครับไม่มีอะไรนะครับอาจารย์ okay. สาธเตอร์มาถูกครับเดีย๋ยวจะไปรับใช้ท่านอาจารย์พระลวงปวดต่อไปเพราะวันนี้ก็ไปนวดขายท่านมาครับ <Yeah. S 2> เจอไปที่โรงพยาบาลพยาธิศาสรมาท่านมาก oh. ับที่คุณหมอบีครับ oh. ท่านก็ปวดเหมือนเดิมครับ hmm. ท, ท่านกลับวัดไปแล้วท่านกลับวัดแต่ท่านกลับไปนอวัดทุกครั้งท่านกลับวัดทุกครั้งครับแม้มแต่จะไปโอดญาติโยมไปไกลยังไงไปไกลยังไงก็กลับแล้วก็ถึงจังหวัดจะใกล้กันก็กลับอเพยียงเช่น<ม>ขร า, าก่อนไปไปขอนแก่นเสร็จเทขอนแก่นจะใกล้อุดรใช่ไหมครับวันสุกไปขอนแกน่นท่านก็กลับวัดครับเที่งคืนมาเปียเออมาส่งน้ําแสงตัวออกไปอุดรต่อครับก็ไปใช่ครับ เราเป็นห่วงเนี้ยเรื่องสังขารนั่งกายท่าเหมือนกันนะใช่ครับเหมือนท่านคราวที่แล้วท่านไม่สบายเป็นไข้หวัดเจกับจากอุบลติเป็นไข้หวัดแชมแฮบท่านก็ยังต้องไปต้องไปแบบไปนิดนึงครับเออแล้วเขาจะมีตั้งนิดนึงครับพระอาจารย์พอดีว่าผมจะช่วยคือเจ้าตัวตัวผมอน่ยเวลาไปนวดให้ท่านเนี่ยผมจะไม่ ผมจะไม่อะไรเลยครับผมจะคือผมมาทำหน้าที่นะใช่ไหมครับจะไปกับลูกศิษย์กลุ่มไหนผมก็ผมก็จะไม่แยกว่าใครคือใครเงี้ยแต่ก็เกิดประเด็นเหมือนปร ะ, ประมาณว่าถ้าจะลงจะจะจ ะ, จะคุยอะไรก็ต้องคุยเฉพาะในกลุ่มนี้นะอีกกลุ่มนึงคุยไม่ได้เดี๋ยวจะทะเลาะ ก, กันเงี้ยครับนี่แหละครับผมก็เลยแบบแต่ก็ปล่อยไปครับเหมือนคนเรามันไม่เหมือนกันครับอาจารย์เป็แกว่าเหมือนลูกศิษย์ดันแบบ แทนที่จะทําเพื่อคูบาอาตาครับแต่ดันแบบมีประมาณคอนฟิก c t กันเองไงครับก็เรื่องอาตาตรงตัวนั้นน่นนะใช่ใช่ประมาณนั้นเลยครับก็เรื่องของเขาไปก็อย่าไปสนใจนะรู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วแล้วก็ทําไปตามเรื่องของเราใช่ครับโอเคนะนนอตัวต่อพระอาจารย์แข็งแรงครับสาธุครับ่ Enjoy, บามีจอยเพรตยาเชิญจอยเก่าค่ะ ได้ยินไหคะได้ยินชัดเจนค่ะวันนี้วันนี้ได้ทดสอบขึ้นที่สูงรู้เลยว่าตัวเองกลัวตายขาด <Yeah. S 2> สั่งเลยคะ่ะไม่กล้าเดินไปวัดนะคะการกลัวตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคนทุกคนค่ะรู้ว่าแบบยังยังไม่ถึงชั้นเนี่ยยังไม่ได้ยังโปไม่ได้ยังไม่ยาวไกลใช่ยยังอากใช่ถามว่าแบบ เฮ้ยยังยังกลัวอยู่นะไม่อยากไม่อยากอันนี้แต่ก็มันยังไม่มีอะไรค่ะก็พยายามลดมันถ้ากลัวก็พูดโทรพูดโทรไปเท่ากัในใจมันก็ช่วยบรรเทาได้ค่ะก็ทำดูกับแฟงก็ปกติค่ะเรื่อยๆไม่มีก็เกิดมาเป็นคู่กัดกันก็ทำกัดกันไปเรื่อยๆตนจนฝ่าก่อนจะไปตาไปคนละข้าง ก็อยากให้ตากัน <tamam>, ดีๆไม่อยากติดกรมกันก็อยากยก็อยากกัดกันก็ยอมหยุดเย็นให้ฉุดสามยอมอางที่ห <t> น <hat uki> ูก็บอกเขาเหมือนกันถ้าสามสอนเนี่ยยอมหยุดเย็นเธอเธอก็มาทำบ้างนะก็บอกเขาเราไม่ไม่บอกเขาไม่น่าเราบอกตัวเราคนเดียวก็พอเราหยุดคนเดียวก็พอตอมึงสองข้างไม่น่าตองตอมึงข้างเดียวไม่น่าโอ้โอ้ส้องทำ เราทํ่างเ้วเราเราย อ, ยอหยุดแล้วก็เย็นไม่ไปยุ่ไม่ไปตอบโต้เเด็กเขาก็อยู่เองอเหมือนกับพอยิ่งพูดแล้วเรายิ่งเต้นตามขชอบใช่ไหคะใช่ถ้าเราเฉยๆแล้วเด็กเขาเหน่ยก็เ่นื่อยเขาก็หยุดเอออ่ ะ, อะเดี๋ยวไม่ใส่บาตมันเดอะ้อ่าคุณพองพันธ์ครับ กรนมัสการพระอาจารย์ครับขอบพระาอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนว่าอเลยครับไม่มีอะไรครับก็ <Okay. S 2> ร่วมฟังธรรมครับเพิ่งเพิ่งจะเข้ามาออ่ตอนแรกว่าจะไม่จะไม่เข้าห้องสู่มครับพระอาจารย์อืมเพราะว่าวันนี้รู้สึกไม่ไม่มีคําถามครับวันนี้รู้สึกไม่สบายก็เลยกะว่าจะเป็นผู้ฟังที่ดีครับแต่ว่าพอมาเจอเ อ, อบทหนึ่งที่พระอาจารย์สนทนากับท่านท่านใดจํ า, าจไม่ได้แล้วครับบอกว่า อยากให้พระอาจารย์สอนก็ต้องเข้ามาครับจะได้ไม่ต้องสอนทิพย์ครับ<ม>ครั บ, <Okay. S 2> รบก็ต้องมาถามต้องมาขอรับกานบ้านไปกับก็ไม่มีอะไรครับเมืม่อครู่ก่อนเข้าสูงก็ตัวร้อนพอดีมีมีไข้ครับก็แต่ก็อาศัยเดินจงกรมแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นเดือดร้อนกับมันแล้วโอเคขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องแล้วกันนะครับ กรบขอบคุณพระอาจารย์ครับโอเคสาธตอนที่ไปทางคุณหลาว่างนัก็ำถามจากเฟรนด o บุ๊คก็อย YouTube เชิญด้ ว, ดวคุณพอว อ, อยากจะพูดะะพอะไรนึกปะพาวนี่ย่อมาจากอะไรนะคุณเนี่ยคุณเนี่ยอันนี้อั น, น, อ น, นมันีกราบนรมศสการคะ่ะพระอาจาจรย์คนนี้เป็นซูมที่ที่ใช้ในที่ทำงานคะ่ะพาวก็คือ เป็นของของพยาบาลนะคะอ่าค่ะตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ร่วมฟังธรรมนะคะเพื่อเพื่อที่จะนำไปเจริญสติของตัวเองเพราะว่าเพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ๆค่ะฟังเข้าใจมากยเข้ามาในกลุ่มนี้ได้อะไรเยอะเลยค่ะได้ได้ได้เห็นเทคนิคในการปฏิบัติของแต่ละท่านนะคะก็ จะดึงส่วนที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองค่ะไปปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ทุกน้อยลงค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่นครราชสีมาค่ะนครราชสีมาค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะดีต้อนรับดีนรับเสมาค่ะคนมัสการเจ้าค่ะอ่าสาธุไปที่คนร้าวได้แล้วบ๊ายบ มีทั้งหมดสิบเอดคำถามเจค่ะคําถามแรกจากคุณชัดท่าเรือพระบวชใหม่มีวิธีการตัดความผูกพันพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่างไรครับกลัวได้ศึกออกมาครับเ๋อต้องไปอยู่ที่ไกลๆที่ก็ตามไปไม่ถึงไปเลยอย่างเราบวชปั้มเราก็ไปอยู่ดอนเลยตามยากไม่บอกใครด้วยเวลาบวชบวชเฉพาะคนใกล้ตัวนั้นเอง แล้วพอบวชใสเข้าไปเลยไม่บอก้กว่า ไ, าไปไหนคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณสิริกุลกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะช่วงนี้เห็นข่าวสงครามรัสเซียยูเครนรู้สึกสงสารเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างไหมคะขอพระคุณค่ะจะช่วยอะไรอยาจะช่วยอะไรก็ช่วยไปไปมีเงินจะส่งไปให้ไปไหนก็ส่งไป านะาจรยยชช่่ววได้้ะคำถามต่อไปจากคุณเบียร์กราบนมัสการพระอาจารย์เราจะมีวิธีการจัดการท็อกซิกในที่ทํางานอย่างไรคะเ อ, อ่อเราจัดการไม่ได้เราจัดการได้แต่ตัวเราเองท็อกซิกในตัวเราเองท็อกซิกในที่ทํางานนั่นใช่หน้าที่ของเราท็อกซิกของเราคือความเมิงเปลยดความไม่พอใจกับท็อกซิกภายใน เราก็ต้องผัดทำใจว่ามันเป็นอย่างนี้แหละที่ทํางานก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องทําใจยอมหยุดเย็นคําถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์เพราะเหตุใดในพุทธการจึงมีผู้สําเร็จพระอาหารหันต์จํานวนมากทั้งๆั้งที่ฟังธรรมไม่กี่ประโยคจากพระพุทธเจ้าเป็นเพราะบารมีที่ทํามาหรือเพราะปัญญาบารมีในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับ ทังสองอย่างมีปัญญาบารมีของพระเจ้านนั้นตัวเขาก็มีศีลมิสมาธิเรานับอยู่เขาก็เลยบรรลได้เราส่วนใหญ่จะเป็นนั่งบวชทั้นนที่บรรุธรรมคำถามต่อไปจากคุณพัทราพงศ์คารวาสกับบรรพชิตมีโอกาสบรรลุธรรมไม่เท่ากันหรือครับเท่ากันแต่โอกาสของบรรพชิตมันมีมากกว่าเพราะมีเวลาปฏิบัติได้มากกว่าคาราวาส แต่ถการาว่าคนไหนมีเวลาปฏิบัติเท่ากับวันนัดชี้โอกาสก็เท่ากันมันอยู่ที่เวลาที่เราค่อกับการปฏิบัติคำ ถ, ถามต่อไปจากน้องหลินหลินสอบถามการปฏิบัติเจ้าค่ะปฏิบัติถี่ทุกวันเจ้าค่ะปฏิบัติจนเหมือนจับจิตเข้ากรงเลยเจ้าค่ะหนูนั่งสมาธิเหมือนปิดไฟนอนเลยเจ้าค่ะก็ดูลมแล้วลองนับเลข ไยาวๆเจ้าค่ะหนูต้องปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะก็อลองหยุดนับเถอะให้ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องนับจนดีกว่าถ้าทําได้ให้ดูลมที่ปลายจ ม, ม, ม, มูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าลมเข้าให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมสร้นหรือลมยาวตามความเป็นจริงของเขาไม่ต้องไปควบควมุมบังคับเขาให้รู้เฉยๆไม่คิดอะไร คำถามต่อไปจากคุณพัทิตากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเลี้ยงไก่ไข่แล้วนำไข่ของไก่ที่เลี้ยงมาทำอาหารรับประทานจะบาปไหมคะถ้าไข่เนี่ยมันไม่มัม น, ม, นมันไม่มีตัวปปคือไปไปฟักให้มันเป็นตัวไม่ไน่าก็กินก็ไม่บาปแต่ถ้ามันเป็นไข่ไข่ที่มันฟักได้เป็นตัวได้ก็มันเ็าไปฆ่ามัน คำถามต่อไปจากคุณสุพันธีกลาบมนฑ์มัสการพระอาจารย์ค่ะถ้าเราทำโรงงานฆ่าเป็ดไก่เราจะบาปไหมคะบาปสิ่งทีเราฆ่าเพราะถ้าเราฆ่าถ้าเร า, าไม่ได้ฆ่าเราก็สันน่งคนอื่นมาฆ่าแทนเราให้เราบาปคาถามต่อไปจากคุณวันดีเล่นหุ้นถือว่าผิดศีลห้าไหมคะ ไม่หรอกันก็เป็นประกอบอาชีพยอย่างหนึ่งค่ะำถามต่อไปจากคุณจูบกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจิตรวมคืออะไรมีสภาวะอย่างไรคะทําไมผู้ปฏิบัติแต่ละท่านถึงมักพูดคํานี้ออกมาจิตรวมนี้มนุษย์ทุกคนสามารถรู้สึกได้รู้ได้เองใช่ไหมคะได้ถ้ามีสติก็รวมได้ถ้ามีสติก็ทํำให้จิต หยุดคิพอจิตจหยุดก็เถอจิตเป็นจิตจิตวมเป็นหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณนาวาหนูชอบฝึกสติกับทำสมาธิให้มากที่สุดในแต่ละวันพยายามฝึกตามคำสอนพระอาจารย์ในเรื่องการปล่อยวางและความอยากที่นี้หนูเกิดนิมิตในฝันว่า กำลังจะตายและเกิดทุกขเวทนาแต่ใจหนูก็บริกรรมแต่พุทโธและไม่สนใจร่างกายว่าอยากให้หายเจ็บแบบที่พระอาจารย์สอนแบบนี้จะถือว่าเป็นบททดสอบก่อนตายจริงหรือไม่คะแล้ว ท, ที่หนูทำให้ทำในฝันถูกต้องหรือไม่คะถูกต้องถูกต้องแล้วเาเวลาเกิดเหตุการณ์จริงหนูก็จะทำแบบนี้ทันทีว่ามันฝ อ, อยู่ในใจของหนูนะ คำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเราเห็นคุณแม่ของเราทุกทรมานจากการรอที่จะจากไปเราควรจะวางใจอย่างไรคะก็วางใจเฉยๆไปถ้าทำอะไรไม่ได้ต้องใช้อบเบขาว่าในการพลาดพาจากการเป็นเรื่องธรรมด า, าเมื่อก่อนมาแล้วต้องมีการพลาดาจากการเป็นธรรมดาลงพ้นความพลาดพาจากการไปไม่ได้หมดแล้วใช่ไหม คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะมีกลรอย่างคำถามอีกไหมย่อมมิ่งเกนเนานมายมีคุณกันชิดเพิ่งเข้ามาครับอาจารย์กัญชิดมันเร็วดังกันชิดมีคี่ไหนได้วัครับครับหยุดไ้วันครับอาจารย์ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับไม่ได้เข้ามานานนะครับมีอะไรไหมก็มีครับมีกอบถามป้าอาจารย์เนี่ย เวลานั่งสมาธิก็จิตมันยังไม่รวมสตกนะครับก็สติมันน้อยสติมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่รวมมังมุดโถมุดโถแล้วมันก็ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ดูลมแล้วไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้มันก็ไม่บรรลุนวลได้มันต้องไม่ไปคิดเลยมันถึงจะนวลได้แต่แต่แต่มันมีแต่มีแต่มแต่จะหยุดลมหายใจแล้วก็แล้วก็ไม่มีอะไรนะ ลมหายใจลมา ใ, ใจนิดๆอะไรก็ไม่เป็นไรก็ก็ดูต่อไปครับดูดูต่อไปดูเฉยๆไปไม่นั่งคิดคถ้ทคิดมันก็ไม่รวมถ้าหยุดคิดเดี๋ยวมันกาลังจะรวมแล้วมันกล้จะรวมครับครับให้ดูต่อไปดูดูที่ที่เราใครดูไม่มีรวมก็ดูมันตรง น, นั้นนะครับครับอาจารย์โอเคนะครับ ข อ, ขอบคุณครับป้าจันขอบคุณเจมีม่มต้นะองิบตาตหายไปอย่างเงครับมาตั้งกลาครับาครับ อ, อ่าใช่เสียงช่ได้มี่ไหนอนนี้อยู่ที่ช่าอมครับอ่อาใช่ครับมีคาถามสองคาถามครับ อ, อ่าใช่ครับคือเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะครับแล้วก็มีการนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนครับครั้งละสามสิบนาทีครับ โดยนั่งสมาธิเนี่ยก็จะเป็นเน็บที่ขาซ้ายะครับคือออกจากสมาธิมาเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกที่ขาเลยครับอันนี้ควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างนี้หรือว่าควรจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งเก้ายี้ครับคำถามที่หนึ่งครับเออไม่ควรเปลี่ยนถ้านั่งถ้านั่งกัดสมาธิได้ก็นั่งไปเถอะไม่เป็นไรการชารของการนั่งกา ร, ารเป็นธรรมดามันเป็นแล้วมันก็หายได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับเราเร า, เราคือเรา เราดูเวทนาไปเลยใช่ไหมครับแม่แล้วก็ดูพุโทโธแล้วดูลมไปถ้าเราใช้ลมก็ดูลมไปแล้พุโทโธก็พุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจ อ, อาการของร่างกายครับครับผมคำถามที่สองนะครับคือทุกวันนี้จ ะ, อ, ะออกกําลังกายครับโดยปั่นจักรยานไปทํางานไปกลับครับผมใช้พุโทโธแล้วก็ดูกายปั่นจักรยานไปนี่เพื่อเจริญสติดได้ด้วยใช่ไหมครับ ได้ถ้าเราไม่คิดเรื่องอะไรก็ถือว่าเป็นการแสดงสติอนไรเงี้ยครับผมค ร, บครับขอบคุณอาจารย์มากครับมีคำถามเท่านี้ครับโอเคสาธุขอบคุณล้าเลยเชิญคุณต่อมีเข้ามาอีกสองคำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกจากคุณอรณิชากราบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะมนุษย์เราทุกคนอาจจะมีโอกาสได้นิพพานทุกคนได้ไหมเจ้าคะหรืออาจจะเป็นในภพชาติอื่นเจ้าคะ อยู่ใี่การปฏิบัติการปฏิบัติศีลทานศีลภาวนาได้ครบร้อยก็สามารถไปนิพพานได้ทุ้งคนคำถามสุดท้ายจากคุณกระหนกวันค่ะกราบนมัมสการพระอาจารย์ค่ะอยากปฏิบัติธรรมแต่ติดที่ลูกเล็กทั้งสองตอนนี้มีแค่ฟังธรรมก่อนนอนและให้ทานรักษาศีลห้าอยากทราบว่าต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรต่อคะ ก็ลองตื่น เ, เช้าๆเนี่นยโดยก่อนรุ่มหรือสักชั่วโมงเลีล่ก็เวลานั้นเป็นเวลานั่งสมาธิตอนที่คนอื่นเขาหลับกันหมดเราก็ส า, า, าสมารถทำสมาธิได้คำถามหมดแล้วเจ้าพระไม่หมดแล้วนะแม่ชีนภะัทรเข้ามาครับขึ้นเข้ามาอ้าวใช่แม่ชีกลับมาวัชการเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อวันอาทิตย์นะเจ้าข่าต์ม่ชี ถามคำถามแล้วก็คุณหมอวีตอบตอบในรายการให้เรียบร้อยแล้วนจาจ๊ะค่ ะ, ะก็ไม่มีคําถามอะไระชวัดอโศการามเจ้าค่ะพระอาจารย์วัดอโศการามค่ะปฏิบัติดีอยู่นะมีความสุขก็จะ ย, ยังปฏิบัติเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปเรียนอ่ะวีทำอยู่อ๋ออย่าไปเรียนเลยท่านไดปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปเรียนเสียเวลา <c oughs> เงินท้ายล้างไปเปล่ะ ไปเรียนเพื่ออะไรเรียน ไ, ไปเพื่ออะไรก็รู้รู้มันรู้รู้มันก็ลึกลึกขึ้นเรื่องฐันอายตนะธาตัจัตนะเจ้าค่ะไม่ไม่ยังไม่ต้องเรื่องอะไรรู้เรื่องกิเลสซ้ตัวก็พอรู้แลกผลดอกแล้วรู้วิธีกํจาจัดมันรู้ตายแล้วรูอ้อริยสัจสี่แคนี้น ก, อกพอแล้วนะคะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะอาสบายดีจ้ารักษานะท่านผ่านนะเจ้าค่ะพะอาจารย์ เรียนก็เรียนได้แต่อย่าทิ้งปฏิบัติก็แล้วกันไม่ใช่ไปเรียนแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ขาดทุนแน่กค่ะก็ยังขึ้นวัดสวดมนต์ก็ภาวนาอยู่นะกะค่ะโอเคนี่ท่านไปละถ้าถ้ามีใครไม่ที่จะถามชัยยานิดนะครับชัยยานิดถามพระอาจารย์อีกรอบก็ค่ะการนอนเยอะๆนี่คือ การง้องหานอนนี้คือกิเลสใช่ไหมเจ้าค่ะใช่กิเลสถ้านอนมากแบบตามต้องการของร่างกายก็เกวเป็นกิเลสในที่นี้ต้องการร่างกายต้องการประมาณแปดชั่วโมงก็นอนแต่ชั่วโมงใช่ไหมไม่ใช่แล้วมันสี่ชั่วโมงตามหลักของนักปฏิบัติเนียโอเคเจค่ะโอ้ใจมันพักนอนแค่เกินมาสี่ชั่วโมงเข้าใจว่านอนแปดนะเจ้าค่ะแต่แล้วมันขอคารวะผู้ควงผู้ไม่ปฏิบัติธรรมผู้เศษกลางว่านอนแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็นอนสี่ จ้าค่ะจ้าค่ะ อ, อยาก อ, อยากจะเป็นนั่งปฏิบัติธรรมแล้วก็วนอนนอนสี่ที่จริงอ่านอนน้อยอยู่แล้วนะคะนอนนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจิตตื่นด้วยแหละเจ้าค่ะก็ดีก็ดีอย่างนอนมากไม่ร่างกายมันแค่สี่ชั่วโมงมันก็พอแลของการต้องการของการมันก็พอนของร่างกาย เจ้าค่ะนอนน้อยแต่นานนะโอเคนะค่ะมีแค่นี้จ้ะค่ะคุณบาลีเมื่อกี้ ย, ยุ่งเม่อขึ้นใช่ไหมบาลียังไม่ไปิดหลวงพ่อครับพอดีช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนูไปไปวัดทางอีสานวัดวัดวัดตั๊บบานตากแล้วก็วัดหลวงพ่อเอนถวายค่ะแล้วหนูอเอาเอาสารายไปไปถวายอันเนี้ย ถันหลังเพนได้ไหมคะสาลายถือว่าเป็นเราไม่เคยฉันมา่ก่อนแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงเห็นข้อเห็นเข้าฉันเนี่ยต้่งให้สาลายนี่ก็ถือว่าเป็นยาแต่แต่หลวงพ่อท่านบอกว่าให้แยกเอาไว้ต่างหากค่ะหนูก็เลยหนูเห็นบางวัดท่านฉันกันของมันเยอะของมันเยอะท่านอะไรห่าอย่เพิ่งบรรเคนเอาของบรรเคนแล้วบางอย่างมันถ้าเป็นอาหารนี่ก็ก็หมดอายุไปเลยในวันนั้น แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเขางบาอย่างมันก็เจ็ดวันหมดอายุอ๋อค่ะแื้วอย่างพวกพวกน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถ้านาพวกพวกน้ําหวานน้าตาลนี่มันมีอายุทวรารผักเคนแล้วเก็บไว้ได้เพียงเจ็ดวันอ๋อค่ะหลงหอบบางทีของมันเยอะๆของกินท่านเลยบอกว่าให้วางไว้แล้วเวลาท่านต้องการจะมีลูกศิษมาคอยคอยคอ ย, คอยถวายให้ในภายหลังอ๋อค่ะถ้าเป็นว่าปฏิบัติส่วนใหญ่นี้เขาให้วางของของกินไว้อ๋อค่ะ หนูนึกว่าฉันไม่ได้หรือว่าทำได้แต่ว่ามันบางปีมันต้องมีเวลาของมันเนี่ยถ้าเป็นปลากระป๋องบ้งมามากก็ต้องแพ้เด็กถวายให้ตอนเช้าตอนฉันแต่ถ้าเป็นพวกเป็นน้าหวานนี่ก็ตอนบ่ายก็ฉันได้ค่ะหลวงพ่อยิ่งบางปีใครก็เลยของของเวลาคนมาถวายของมันเยอะเลยของกินค่ะ ถ้าไปรับปัมันเดี๋ยมันมันมันหมดเวลามันพร้อหมดเวลาปั๊บก็ต้องสลรไปคก็เลยให้พายวางไว้แล้วลูกศิษย์ก็จะเอาไปเก็บไว้ในคลังล้วเวลาต้องการแล้วลูกศิษย์ก็จะเอามาเอามาประเคนให้พี่ค่ะพอหนูเข้าใจว่าเอ๊ะหมายถึงว่าฉันไม่ได้หรือป่าห่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ใช่หรอกคือฉันไม่ไม่ต้องการจะฉันในวันนั้นรับประเกคนั่นเดี๋ยวมันจะเสียของเอ๋อค่ะแล้วก็ ค่ะกลับขอวพระคนค่ะโอเคคุณอนุภาพ่อขอบค่กลับเรียนถาม อ, อีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีเวลาที่เราจะถวายของให้กับสมาะาอย่างเช่นพักพิสูจน์หรือว่าแม่ชียอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าแต่บางครั้งที่ที่เป็นเรียความเมนบางอย่างที่มันดูแบบเกินกว่าสมถะอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราไม่ถวายก็ถือว่า เหมาะสมตามตามสมณรูปได้ใช่ไหมเจ้าคะ่พะพอาจารย์เพราะบางคนจะมองว่าต้องถวายของดีๆเลิศเลิอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ขอถวายที่แล้วแต่ศรัทธาอแล้วแต่คนถวายอยากจะถวายยังไงก็แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกไปสั่งว่าจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้อืมเจ้าคะ่ะแต่ ถ้าเรามองว่าถ้าถวายอันนี้ทําให้ท่านไม่สมถะอย่างเงี้ยก็ไม่รู้คิดผิดหรือเปล่าสจ้าคะพาจารย์ผิดผิดผิดใช่ไหมเจ้าคะเราอย่าไปยัดนเยียดสมถาให้กับท่านให้ท่านเรื่องเป็นสมถะก็แล้วเองอบางคนที่เหนียวตัวเวลาตัวกินของดีๆแต่ว่อของพระก็เอามาทําสมถะเสื้อของทุกๆให้ท่านกินนี้อย่างนี้นเปนเรื่องของกิเลสนะอาจค่ะเพราะคนเรามแต่ละฐานน่าไม่เหมือนกัน คนเรากินยังไงเราก็ถวายอย่างนั้นให้กับท่านไปไม่ใช่ว่าสําหรับตัวกูกูกิกนดีแต่สําหรับพระนั้นต้งต้องมีสมมติฐานนะเรากินแตผักถ้าถ้าเราได้มากินหมูก็ทะไเป็อย่างนี้มันกินเลสของเราไม่ได้พูดถึงเรื่องความลับเนเรื่องของคนถวายคนถวายคนจะถวายอย่างน้อยก็เราเคยกินอย่าะไรเราเราชอาอะไรเราก็ต้องถวายของเราให้กับท่านไป ไม่ใช่ว่าเห็นท่าท่านเป็นสั ม, มัญชนก็เลยซื้อของถูกๆให้ท่านกินอะไรเอย่า บ, บางพอดีเห็นเห็นเพื่อนอะค่ะเขาเป็นคนที่เช่าถวายของใช่ไหมเจ้าค ะ, ะบางทีมีพระท่านท่านบอกว่าหมอนแบบนี้นอนดีแต่ท่านไม่ได้ขอนะเจ้าคะพระอาจารย์ อ, อันนี้ก็แล้วแต่เราพิจารณาใช่ไหมเจ้าคะว่าถ้าเรา่านนก็นแล้วแต่บางทีพระก็ไม่ควรจะบอก เรบอกว่แสดงว่าเป็นการชี้นำนะใช่ไหมลูกก็มองีคือกําลังคิดว่ามันยังไงดีอะไรเงี้ยจะถามอาจารย์แต่นอกจากยงถามนี้ว่าบอกแบบนี้ดีไม่ดีเนอ่านอาจจะตอบได้เพราะเขาถามใช่ไหมถ้ายดีไปคู่เนี้ยแสดงว่าพาชี้นำนะอ๋อชี้นาก็ไม่ไม่ไม่สนญเดินนะไม่สัญดนอ๋อหรือว่าแบบแม่ชี้มาบอกลูกว่าวันนี้ท่านฉัน ข้าวกับผัดมะละกออะไรอย่างเงี้ย จ, จ้าค่ะพระอาจารย์แต่ท่านไม่ได้ขอนะเจ้าค่ะพระจ่าก็เลยบางทีท่านไม่ได้ชอบมะละกอแต่วันนั้นมีมะละกออย่างเดียวเดี๋ยวญาญโยเขียวท่านชอบ <laughs> เดี๋ยวท่านก็สวย อย่งอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าไปอะไรพิทักษ์อย่าไปอะไรมันมากเราที่ว่าอาหารในที่เราที่ว่าพอสมก็ถวายไปก็แล้วกันรอดแต่ความเหมาะสมรอดแต่ร้ดแต่จะคิดดีกว่าที่เกี่าพูดหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิปจอยไม่สําคัญอะไรกัะค่ะเจะข่าวมาจากแต่อยอย่าถวายเพราะเราขี้เหนียวก็แล้วกันแล้วอ่าบมัน <c oughs> ทันสมรรค <laughs> แต่เวลาเรากินนรกกินนราเรากินของดีแต่วเวลาไปถวายพาะว่าท่านสมะถะท่านกินอะไรก็ได้อย่าอ้างแบบนี้มันไม่ดีหรอกเพราะมันเป็นกิเลสของเรา่ <c oughs> เพราะคน <c oughs> ทําบุญเขาอยากจะได้บุญมากมากเพราะมกอยากถวายของดีๆของแพงๆเพราะเขาคิดว่าเขาจะได้บุญมากในกา <c oughs> รเสียสละมากมากของเขา <c oughs> แต่พระจะกินไม่กินก็เรื่องของท่านเอง เจ้าข่าวว่อาจารย์ค่ะมีเท่านี้เจ้าข่าวว่าอาจารย์กลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณกอีกครัง้งหนึงอาจารย์คุณนัสการอีกรอบครับเอาพอดีว่าช่วงนี้จะเป็นเทศกาลกระถิ่นครับก็ อ, อยากจะถามครับว่าเห็นวัดนี้ที่ลงเบิร์ทีครับแต่เราก็อยากจะทำบุญทาบุญทาบุ ญ, บญอย่างเงี้ยครับมันจะถือมันจะกลายเป็นกิเลสไหมครับอาจารย์ ของการทำบุญไม่เป็นกิเลสยิ่งทำมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีอืมครับมีสละหมดเลยได้ยิ่งดีครับเงินเดือนเดือนนี้นนทั้งเดือนสละให้กับการทำบุญไปเลยก็รอย่างนีเปนน็นการเสียสละแบ่งปันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นกิเลสความอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่ถือว่าเป็นกีิเลสถือเป็นบัตร <c ười> ได้ทางสู่การหลุดพ้นจากการเป็นวายกายเกินครับเพราะว่า ทุกเดือนก็จะมีโอนไปทำบุญแล้วก็โอนไปบำบัดค่าอาจารย์พักปรุเด็ดเดดเนไม่เสียหายติดบุญนไม่เหมือนติดยาเสพติดครับแต่ก็พยายามจะวางใจแบบไม่ต้องแบบไปเปล่าประกาศให้ใครว่าฉันจะไปป่าประกาศจะไปเอาหน้าหรืออยากไปบังเข้าให้คนอื่นเข้ามาทบุญกับเราท่าน้าจารย์อย่างคนที่ลงเพื่ออยากจะให้คนร่วมอนุโมทนาบุญนะครับมันจะ เป็นกินเลสของเขาเป็นกินเลยเพราะเข้าใจเปลีอย่างที่เมื่อกี้คุณตายถามว่าทําบุญแล้วต้องมีคนมาร่วงบุนได้จะได้มีบาลีวานอ้าวแต่จะได้ได้ยินอยู่ครับอ่าคนตัวก็คือแค่แบบประมาณยิ่งเราทำมาเล่าเองนะคนที่เาร่วมเขาอยากให้เขาล่วงด้วยเขาไม่ห้ากเขาแต่แล้วจะเป็นปากประกาศชวนเชิญบังคับเขาเอาซอมแจกให้เขานี่มันเป็นการบังคับเขาอืมก็เคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนเคยขึ้นเฟซเลยว่า วันนี้ซองเยอะมากอใช่แล้วเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะบอกอะไรก็ซองเหมือนเขาไม่ได้แบบแล้วทําให้เขาเบื่อศาสนาขึ้นมาเขาไม่ได้เบื่อซองเขาเบื่อศาสนาเพราะศาสนานีแต่ขุดรีดอือครับก็เด็กได้ยินเหมือนคนบอกว่าวัดได้เยอะแล้วไปทําบุญแม่เขาดีกว่าอครับก็ทําบุญอยากไปบางบุญได้น่ะอย่าไปเรื่องอะไรอย่าไปบังคับให้เขามาร่วมน้า อืมอาจจะบอกประกาศว่ามีที่นี่มีมีบุญนะ<ช>อยคือไม่<ท>า <ำ S 1> หรอ ว, ว่าเราบอกอที่นี่จะเป็นทางบุญที่วันนี้ครับบุญได้แบบใครอยากจะฝากไปแล้วอยากไปนู่นไปไปนู่นก็เชิญอครับอันนี้ก็เป็นการบอกบุญครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ก็มาหลายวัดก็ช่วงแรกๆก็ใส่เยอะครับแล้วหลังๆตึงมือครับก็เลยแบบเท่าที่ไหวอาจารย์อ่าเหมือนกันเหน่อยลงเหน่อยลงอ่อนลงอ่อน ใช่ครับแล้วเหมือนเ facebook มันม um si um ันมี a อไอที่จับว่าเราดูอะไรบ่อยๆก็จะขึ้นฟีดทวกวัดทุกวันอย่างนี้เยอะมากเลยรับอย่างเช่นดูคำสอนครูบาอาจารย์เดี๋ยวก็จะมีของท่านอื่นท่านอื่นมาจากก่านดีครับก็ถือว่าสร้างัฒนะมันก็มันก็ช่วยป้อนในสิ่งที่เราสนใจใช่ครับแล้วก็บางทีเจอข่าวไม่ดีเราก็ไม่เอาใจไปกับเพื่อนบาอย่างได้แล้วก็ผ่านีคนแบบดันแบบมาดาม่าแต่คนที่แบบ ไปใช้กําลังดันได้เงินบริจาคดันเป็นคนดังครับมันสึกคาบนิยมมันผิดๆก็มันเป็นเรื่องของโลกโลกบางทีก็ชอบของผิดๆนี่ครับข่าวก็ชอบเอามาเอามันครับข่าพอกันน่ยมันก็ใช่ครับโอเคนะอย่จะไปวิพากษ์วิจารณ์โลกโลกมันเป็นอย่างนี้แหะโลกของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับอาจารย์้าธุครับขอบคุณครับท่าน ทำวนได้ใช่ไหมครับร้ายอครับคนร้ายใช่ไมีสองคำถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณจินทภาทําอย่างไรก็ฝืนความง่วงไม่ได้ต้องทําอย่างไรดีคะก็เราไม่นั่งที่มันน่ากลูใช่ไหมนั่งที่ป่าช้าดีมันละประกันได้หายง่วงนะอดข้าวก็ได้อดข้าวก็วได้ดมดันข้าวมาทําให้หิวพอหิวมันก็นอไม่หลับนะ คำถามที่สองจากคุณเด e มาทายเวอร์ซ u ลยูนิตี้ไตรศิษยาสามารถสะสมข้ามชาติได้ไหมครับทั้งสามเลยใช่ไหมครับได้สะสมอะไรว่ามันก็ตามมันก็ไปกับเรารักษาสีธทาได้มันก็ไปกับเราใคยทำบุญทำท า, สาสนามันก็ไปกัปบเราใครภาวนามันก็ไปกับเราคำถามหมดแล้วจ้วนะ บทราชแม่คาถามทั้งหมดจะได้ปิดปช้วงกันมีใครเข้ามาดีหลังหรือบปน่าไม่มีแล้วนะโอเ ค, อเคนะเม่กี้มาพอสมควรแต่เวลาสำหรับคร่นนี้ก็ขอให้ท่านทํงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ